ไม่ยากหรอกอยู่ที่เราจะทํารือไม่ทำํำไปมันไมัมนไม่ได้ไปแบกของหลักแบบของอะไรเลยเรียนแต่คิดถึงมันอยู่เรื่อยๆทั้งนั้นเองพอไม่คิดมันก็เออมันก็หลงพอคิดมันก็มันก็รู้ทันมีข่ามันก็ตับได้ตัดได้สัญหาที่เราไม่ได้คิดกัน บ่อยแล้วก็วเราไม่มีกําลังที่กระเดินใจมาคิดทางเรื่องของธรรมะคือกําลังของที่เลยทางของความโลภความอยากเดินไปให้ไปคิดในทางทางของเขาพอคิดถึงทางของเขาก็เลยไปแบกของทุกข์มาทันทีพอเดินมาคิดในทางธรรมะมันก็มันก็ปลด อ, อะไรที่เคยแบกไว้ก็ กระป๋องทิ้งไปมันก็เบาเราเบ า, บ า, บ า, บาอกมาใจที่หนักอกหนักใจเราก็ต้องแบกเมื่อเราหนักหนักใจทําเรื่องอะไระแสดงว่าเรากำลังแบบของมันอยู่ปล่อยไม่ได้วางไม่ได้ตัดไม่ได้ไม่รู้จะแบบกันแต่มันมันป้องกันไม่ให้เราเห็นว่าเรากําลังหนักนักอกหนักใจ เราก็รู้ว่าเราน่ะหนักใจแต่เราก็เลยรู้ว่ามันทํายังไงให้มันไม่หน mm ักหนักใจเพราะมันมันม mm ีความอยากที่จะทําในสิ่งที่ทําให้เราหนักหนักใจมันก็เลยมันก็เลยปล่อยไม่ได้อะไรนี่พออยากจะได้อะไรอยากจะให้เป็นอะไรอยากจะให้มาอย่างไร ก็พยายามทุกทุกทางเพ่จะให้มันเป็นไปตามความต้องการแต่ความจริงมันได้เป็นไปตามที่เราต้องการเราก็เสียใจเราก็ทุกขถ้าเรามองตามความจริงว่าเขาเป็นอย่างไรถ้าเรายอมรับความจริงมันก็ไม่มีปัญหาอะไร ความอยากขอาเราน้อกจากสูงทางกับความจริงจึ็นการให้เกิดความทุกขกขึ้นม า, าเกิดความอยากอึดอัดใจขึ้นมาถ้าเราความอยากของเราเป็นไปเป็นตามความจริงเราก็สบายใจเช่นมัร้อนเราอยากร้อนเราก็สบายใจมันหนาวเราอยากหนาวเราก็สบายใจ ฝนตกเราอยากให้ฝนตกเราก็สบายใจถ้าฝนตกแล้วเราอยากให้มันหยุดเราก็ไม่สบายใจหรือเราไม่อยากให้มันตกแล้วฝนตกเราก็ไม่สบายใจคือตรงที่ใจเราไม่ค่อยดูความจริงไปไม่ศึกษาความจริงเกิดมาก็อยากเลย อยากได้นนอยากได้นี่อยากนั้นอยากนี้อยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้เถ้าทั้งทั้งที่เห็นอยู่ว่ามันมันเป็นไปไม่ได้ก็ยังอยากนอยู่อยางไม่แก่อยางไม่เกิดอย่างไม่ตายอยากไม่พัฒนาอจากกันมันก็ยังเกิดขึ้นทุกวันไม่เกิดกับคนนั้นก็เกิดกับคนนี้เกิดกับสิงนั้นสิงนี้ มันเกิดอยู่ตลอดเวลาแลแ้วไม่ช้า ก, ก็เร็วมันก็ต้องมาเกิดกันเราหรือเกิดกับคนใกล้ตัวเราถ้าเรายังมีความอยาไม่ให้เขาไปไม่อยากให้เขาจากเราไปเราก็ต้องยืนวายใจทุกใจในทางตรงข้ามถ้าเราอยากเขาไปเราก็ไปเราก็ดีใจ บางคนเราก็ไม่อยากใชก็อยู่แล้วก็ไปได้แล้วก็สบายใจ mm hmm. มันอยู่ที่ความอยากของเรานะั้นว่ามันมันตรงกับความจริงมั้ยถ้ามันตรงกับความจริงก็สบายอยากให้ลงพักเนี่ยกำลังพักหรือก็สบายถ้าอยากให้ลงอยู่พักมันยังไม่หยุดเราก็มุน่นหมายจปเข้าใจก็จะได้ ที่มาสอนพวกเราก็สอนให้พวกเรามองความจริงให้ดูความจริงที่เกี่ยวข้องกับเราตับใจเราใจเราเกี่ยวข้องกับอะไรบ้างเร่ง ท, ที่ใกล้ตัวเราที่สุดใกล้ใจเี่สุดก็คือร่างกายของเราแล้วก็อารมณ์ต่างๆที่มีอยู่ในใจทั้งเนต้น า, าความรู้สึกมันก็อยู่ในใจอยู่ใกล้ใจเราใจต้องสัมพันธ์ตลอดเวลา เนืนาก็มีอยู่สามอย่างมีสุขมีทุกข์มีไม่สุขมีไม่ทุกข์มันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมามันไม่อยู่นิ่งมันไม่สุขไปตลอดมันไม่ทุกข์ไปตลอดมันไม่สุขไม่ทุกข์ไปตลอดมันเปลี่ยนไปเหมือนกับวันเวลากลางวันก็ไม่เป็นกลาวันตลอดกลางคืนก็ไม่เป็นกลางคืนตลอดเขาก็เปลี่ยนไปตามเรื่องของเขาเราไม่ค่อยทุกกับเรื่องวันเวลาเท่าไหร่ เพราะเราไม่ได้ไปเราไม่ได้ไปขัดความจริงเรายอมรับการเปลี่ยนแปลงของเวลาแต่เราไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงของพฤตนาเวลาสุขก็อยากจะให้มันสุขไปเรื่อยๆ เ, เวลาทุกข์ก็อยากจะให้มันหมดไปเร็วๆพอมันไม่เป็นตามที่ใจปรารถนามันก็ทุกข์ขึ้นมา ที่พระพุทธเจ้าทรงสอนเนีเราศึกษาก็ศึกษาเรื่องนี้เรื่องใกล้ใจก็มีขานห้าที่เรื่องเรื่องที่ใกล้ใจร่างกายแล้วก็เรื่องอะไรฉัญยาสังขารเป็ยญญานี่ไม่ค่อยจะมีบทบาทมากต่อต่อจิตใจ ่ความรู้สึกเนี่ยเป็นองค์ตัวที่มีบทบาทมากความรู้สึกทางกายก็ดีทางใจก็ดีญาณสังขารวิย า, าณมันก็ทําหน้าที่ผลิตความรู้สึกต่าง ๆ, ๆเรารู้สึกสบายใจเพราะเราคิดไปในเรื่องที่ทําให้เราสบายใจเราก็สบายใจถ้าเราคิดไปในเรื่องที่ทําให้เราไม่สบายใจมันก็เกิดทุกขเวทนาขึ้นมาได้ แต่ตัวที่มาแสด ง, งชัดๆ ก, ก็คือตัวเวทนานทุกวันนี้ที่เราทำอะไรกันทุกอย่างนี้ก็ทำเพื่อสุดควาเวทนานโดยไม่คิดเันว่ามันมันมันเป็นไปไม่ได้ที่จะให้มันสุดไปตลอดถ้าจากใดยังใจยังเกี่ยวข้องกับสิ่งที่มีการเกิียย่ยนลง ขันห้ามนี้เป็นสิ่งท e ี่ไม่ไม่ถาวรไม่นิ่งขันห้ามมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาร่างกายก็มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาด้วทกันาก็เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาปัญญาสังขารจิตาจก็เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาอย่างเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้รับรูเรื่องนั้นมันเข้ามาอยู่ตลอดเวลาในเรื่องทางใจเข้ามา เราวันวันหนึ่งเราก็รู้อยู่ชีวิตของเราเรื่องแต่ละเรื่องเข้ามานี่ก็เข้ามาทางเข้ามาทางวิญญาณเข้ามาทางสังขยาแล้วว่าสังขารก็นําเราไปเอาไปคิดเอไปตัวเอาไปทําให้เกิดความอยากได้บ้างไม่อยากได้บ้างรักบ้างกลัวบ้างชังบ้าง มันก็เลยทําให้จใจนี้ก็เพื่อมตลอดเวลาเราไม่รู้ว่าความสุขที่แท้จริงนั้นมีอยู่แต่ไม่ได้อยู่ในขันไม่ไดอยู่ในร่างกายไม่ได้อยู่ในเวทนาสัญญาสังขารยินรำแต่ความสุขที่แท้จริงนี้อยู่ที่ใจใจที่นิ่งใจที่เป็นอิเดียขาอันนี้แหละคือความสุขที่แท้จริงอันนี้ ไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งอื่นดใดภายนอกเป็นสิ่งที่เราต้องพยายามทําให้มันมีอยู่ตลอดเวลาให้ได้ซึ่งพระพุทเจ้าและ้ะพระอรหันต์菩萨พวกทั้งหลายท่านก็ทําได้ท่านทำมาแล้วให้รักษาตัวนี้ตัวเดียวรักษาความนิ่งความสุบของจัง่ะนื่งจะสงบหน้า ก, ก็ต้องรู้ทันสิ่งที่ใจไเกี่ยวข้องแล้วก่อยวาง มันมีความอยากที่จะให้สิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ถ้าอยากจะให้มันเป็นก็ให้มันเป็นไปตามความคุณงนนุณของมันที่เรียกว่าสันโดษยินดีตามมีตามเกิดมันจะมีอะไรจะเป็นอะไ ร, ะะไรก็ยินดี ก, กับมันพอใจกับมนหลั้นละเสร็งก็พอใจมินท้าก็พอใจเจริญรากษฎและเสร็จก็พอใจ เลือนาบยศสนเสริมทุกก็พอใจนี่คือวิธีที่จะทำให้ใจมีความสุขที่แท้จริงเป็นอิเดียขาป่อยวายนิ่งไม่มีการกระเพื่อนเมื่เราต้องมาศึกษาเรื่องต่างๆที่ใจเกี่ยวข้องใายตัวก็ขันห้ารูปเรียกนาปัญญาสังขาเนีน กายตัวออกไปก็บุคคลอื่นคนอื่นเหตุการณ์ต่างๆสมบัติต่างๆก้อขอ ง, งต่างๆเหล่านี้เป็นของกายตัวที่ทําให้ใจเราปรัเพื่อนได้เศรษฐกิจเพิ่มเศรษฐกิจลงใจก็ปรัเพื่อนได้รายได้ลดรายได้เพิ่มขึ้ น, น, น, นใจก็ปรับเพื่อนได้เราต้องศึกษาสัมพันธ์ข้าใจช้อนใจตลอดเวลาว่าไม่มีอะไรแน่นอน เวลาได้มาก็อย่าไปดีใจเวลาได้มาก็สะกิดใจเท่าไหน่ว่ามันมาเพื่อไปมันไม่ได้มาอยู่กับเราไปตลอดเพราะเราไม่ได้อยู่ที่นี่ไปตลอดเรามาชั่วคราวว่าเดี๋ยวเราก็ไปเราก็ไม่ไม่กระซมอะไรเกินความจำเป็นเอาไว้เท่าที่มีความจนเป็นเพราะมีมากก็หนักเกินกว่าเบาเนื้องรถยนที่เดินทาง เมื่อเดินก็เติมน้ำมั น, นแค่เต็มถังก็พอนม่ต้องเอาถังน้ามันมาเพิ่มอีกสิบถังแล้วก็ขนไปเพราะว่าทั้งน้านมันก็หมดที่เกิมทุกสิ่งทุกอย่างสําหรับร่างกายก็เอาเท่าที่จําเป็นเท่าที่ใิ้ก็พอถึงแม้ว่าเกิดมันจะต้องอดอยากขาดแคลนหรือมันไม่ดีเลยก็มันก็เป็นคติธรรมดาของร่างกาย มีมากมีน้อยถึงเวลามันจะหยุดทํางานมันก็หยุดทํางานเหมือนกันมีอาหารมีปัจจัยสี่พร้อมบริบูรณ์มันก็ตายได้อดยาขาดแคลนแล้วตายไปมันก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นประเด็นนึ่ไม่ใช่ประเด็ น, น, นสําคัญที่จําเป็นจะต้องวิตกกังวลกับเรื่องปัจจัยสี่มากมากเกินเกล่อเกลื น, นมีพอสะสมไว้สสได้พอประมาณก่ากิดก็เจ็บไว้สะสมไว้ พอไม่มีก็หาใหม่หาได้ก็ดีหาไม่ได้ก็กอดไปถ้าไม่มีจริงๆตายก็ก็ยอมรับว่ามันก็ต้องตายกันทุกคนแ น, นี้มันก็จะไม่ทําให้เราต้องมาวิตกกังวลใจจะไม่กระเพื่อมใจก็จะมคีความสุขตลอดเวลาความสุขของใจนี้มันมันเหนือความสุขความคึกของสิ่งอื่นๆม่จบเสิ่สองอื่นได้หมดใจมีความสุขแล้ว กายจะทุกขอย่างไรก็ไม่่่ไมกระทบกระเทือนกับความสุขทางหน้าจิตใจพระพุทธเจ้าทราันะฮนี่ท่านเวลาท่านตายท่านเจ็บไข้ได้ป่วยท่านไม่ได้เดืเ่อนอนใจของท่านมีความสุขอยู่ตลอดเวลาตอลอดมังสุก ข, ขังอยู่ตลอดเวลาถ้าใจไม่ดีสักอย่างแนละ้วใจทุกข์สักอย่างแนละ้ต่อให้จะมีสุขอย่างอื่นก็ไม่มันก็มันก็ไปจบให้ความสุขอย่างอื่นนะหมด ร่าการเป็นปกติไม่เปลนอะไรเลยแต่ใจไม่สบายนี่ยทุกข์นะมันจีดตรงนี้ใจถึงเป็นตัวที่สําคัญที่สุดความสุขของใจความทุกข์ของใจเนี่ยเป็นตัวที่มีอิทธิพลมากกว่าความสุขความทุกข์ของสิ่งอื่นทั้งหลาถ้าเราทําใจให้เป็นสุขได้แล้วสบายแล้วเราไม่ต้องไปห่ไม่ต้องกัวงวลกับความสุข อ, อ่อื่น ควาสอย่างื่นไม่มีความสาคัญเลยถ้าเป็นเงินเงินก็ถ้าเราได้ดั้งพันนะด้ดัรองด้สิงเนเนมมีความหมความสุขของใจเนอนั้นความทุกข์องใจก็เป็นอย่างนั้นมีความร น, นมากกว่าความสุขความทุกข์ของสิ่งอืง่นอ่นทัหลาแลวสิ่งที่ทาให้ใจสุขหรือใจทุกข์ก็คือ กิเลสกับธรรมนี้องถ้ามีธรรมก็จะทําให้ใจสุขถ้ามีกิเลสก็จะทําให้ใจสุกข์กิเลส ก, ก, ก็คือพานหลงหลงไปหาความสุขภายนอกจากหาความสุขจากราบเลือกสรรเสริญจา ก, กรูปเสียงสิพพ่งวัตถุธาตจากฐันห้าจา ก, กรูปเษขาสัญญาสัขนขันธ์เนยก็จะทําให้ใจตัดทุกขขึน้นมา เราต้องคอยคอยรักษาสถานะภาคที่มันจะเ ก, กลีกยนไปอยู่เรื่อยๆสิ่งทุกอย่างในโลกมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆเราต้องในที่สุดก็จะไม่สามารถที่จะรักษามันได้เช่นร่างกายพยายามจะรักษาให้มันอยู่ให้มันสาวให้มีกำลังวังจาแข็งแรงไปตลอดนั้นเป็นไปไม่ได้ท้าวันหนึ่งมันก็ต้องแพ้ภัยตัวเองแพ้ภัยของเวลา เวลามันจะกัดเกนทุกสิ่งทุกอย่างสจากสิ่งทั้งหลายแม้ว่าจัดเก็บด้วยคนด้วยวัตถุจะต้องถึงเวลาทำลายปันเปลี่ยนปรนเพราะฉะนั้นการที่เราส่หลงกับสิ่งต่างๆภายนอกเพื่อมาบำรุงบำาเลอให้ความสุขกับเรายงเป็นผลทางที่ผิดเป็น เขาเรียกว่าเป็นทางหลวงหลทางเป็นความหลงเป็นความห็นผิตเป็นชอบมิจฉาทิฏฐิึป็นกิเลสโมหะอาวิชชาสุกขาาก็ทำคําสอนของพระพุทธเจ้าวิรธรรมะนี่เป็นความจริงขอให้เรามองเห็นความจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี้เป็นใจนั้ ไพลักษ์ก็มีสามลักษณะคือทุกขิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเรียกว่าอนิจจาทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีตัวตนไม่ใช่เป็นสมบัติสำคัญเพราะทุกสิ่งทุกอย่างออกมาจากดินน้ำลมฟ้าแล้วก็ต้องกลับไปถึงดินน้ำลมฟ้าจนทุกนี่ความจริงมันไม่เลนเป็นทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่มีทุกแล้วมันมีแค่อนิจจากับอนัตตาใครตัวทุกนี้มันอยู่ที่ใจต่าง อยู่ที่ใจที่เป็นหลงกับสิ่งต่างๆอยู่ที่ใจที่ไม่เห็นอนิจจ่าไม่เห็นอ น, นัตตาเพราะไม่เห็นอ น, นิจจ่าไม่เห็นอนัตตาก็ความากเลยหวานละขนมละเป็นเกลียเป็นขนมหวานละไหนที่ไหนได้เป็นเป็ น, ปนยาขมเกลือน้ำตาลหวานเดี่ยวเดียวได้อะไรมาถ้าดีออกดีใจแล้วก็ต้องมามาทุกด้วยวิธีต่างๆ ต้องขอดูแลรักษาต้องหวงต้องห่วงวและต้องเสียใจเมื่อมันมันจากไปเมื่อมันเปลี่ยนสภาพจากจากจากดีเป็นไม่ดีไปนี่แหละสิ่งที่เราต้องศึกษาก็คือสองอย่างนี้คืออนิจจามันเปลี่ยนแปลงอนัตตามันไม่มีตัวตนมันไม่ใช่สมบัติของใครนะมันเป็นธรรมชาติเหมือนกับเหมือน ฟ้าอากาศมันไม่ได้เป็นสมบัติสำคัญเข า, าก็เปลี่ยนใจตามเหตุการณปัจจัยเขาเปลี่ยนใจตามเหตุการณ์ปัจจัยร่างกายของเราก็เปลี่ยนใจตามเหตุการปัจจัยบ้านช่องเข้าของเอองินทองมันก็เปลี่ยนใจตามเหตุการปัจจัยถ้าเราศึกษ า, าถ้าเราเข้าใจเราก็จะไม่หลงยึดติดจะไม่คลึงสิ่งานี้ให้ความสุขข็ทุกอาน เราจะไม่เสียเวลากับการไปแสวงหาไม่เสียเวลากับการคอยดูแลรักษาเราจะรักษาอย่างเดียวเท่านั้นก็คือใจของเราเราจะแสวงหาอย่างเดียวเท่านั้นก็คือความสงบของใจใจจะสงบได้ก็ต้องปล่อยต้องตัดทุกสิ่งทุกอย่างที่ใจไปหลงยึดติดว่าเป็นความสุนิน่ก็คือลาบยกจนรักถงสุดแล้วก็ ขันห้าเล่ธนาแขนยาวแนขาห่ารูปเล่นาแขนยาวัขนขาหนึ่งถ้าปล่อยมันแล้วมันก็จะไม่หยุดมันจะเป็นยังไงก็ยอมล้มันแก่ก็ยอมละแม่เจ็บไข้ได้ปวนก็ยอมละมันตาๆก็ยมอมนลยเทนยนนาบุกทุบก็ยอมละนั่งไปนล้วเจ็บปวนก็ขวาไม่นเจ็บ่วดไ้ ใจเราอยากไปแบกมันอยากประหยกักงานอยากปะอยากให้มันหายมันจะเจ็บจะปวดแล้วก็ทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้แบบร์คิดอาใจไปคิดเรื่องอื่นคิดถึงคําว่าพุโทโธพุทโธไปก็ไดถ้าเราไม่นึกถึงว่าคิดจะคิดอะไรที่ทําให้ใจเราลืมเรื่องเรื่องเวทนาเราก็คิดเรื่องพุโทโธไปทําเยื่อไปได้คิดไปถึงคาว่าพุโทโธพุทโธเยอะมันก็ลืมเรื่องการเจ็บปวดของร่างกายมันก็ไม่ได้มี โอกาสที่จะประยัดให้ความเจ็บปวดนั้นหานไปเหมือนเวลาเรานั่งทำไรนอกเพลินี่เราจะไม่ค่อยเจ็บปวดเท่าไหร่เพราะ ใ, ใจของเราไม่ได้อยู่กับกับความเจ็บปวดเราอยู่กับเรื่องที่เรากาลังทําอยู่แต่ถ้าเรานั่ง เ, ยเฉยๆแล้วไม่มีอะไรทานั่งเพียงห้านาทีที่นั่งสมาธิใหม่ๆไม่รู้จะทำอะไรนั่งไม่เป็นพ้านั่งแล้วเดียวเดียวห้านาทีความเจ็บปวดมันก็จัดตัน เพราะว่าใจมั น, มนเจ็บขึ้นมาแทนร่างกายใจมันดลื่อนลนอยู่ตลอดเวลาการเลื่นนอนลงสงใจแล้วไม่ได้ทําการที่ใจเลื่อนลอนมี่ก็เกิดความทุกข์ขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนก็สอนให้เราเพื่อให้เราได้เข้าสู่จุดนี้คือจุดที่เรามีปัญญามีเวลา มีสติที่จะเดินใจให้คิดในเรื่องอนิจจาแต่เรื่ององนัตตาเองและกันเรื่องทุกขั้งทุกขั้งเกิดเพราะว่าไม่เห็นอนิจจาไม่เห็นอนิจจาไม่เห็นอนัตตาพอไม่เห็นอนิจจาไม่เห็นอนัตตาก็เกิดความหลง ย, ยึดติดกันทีว่าจะต้องเป็นอนิจจาจะต้องเป็นตัวตนเร่อร่างกายนี้จะต้องอยู่ไป น, นาน ร่างการนี้เป็นตัวเราของเรามีแสดงว่ามันเป็นความหนักพอมีความคิดอย่างนี้ขึ้นทุกขังมันก็เกิดขึ้นมาพอร่างกายเริ่มแก่ก็กมก ไ, ก ไ, กไม่สบายใจเจ็บไข้ได้ตัวก็ไม่สบายใจพอเห็นคนอื่นตายใจรู้ว่าเราก็ต้องตายตามเขาไปก็ไม่สบายใจ ท, ทุกข์เยอทุกขังเกิดขึ้น แต่ถ้ามีอนิจจามีอนัตตาอยู่ในใจอยู่เสมอรู้ว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเรารู้ว่าร่างกายนี้มันเปลี่ยนไปเรืในใน่อยๆทุกวันมันก็ตั้งกายเป็นที่เท่าที่ฐานไปกลายเป็นดินไปมันก็ไม่เดือดร้อนอะไรถึงเวลาก็ให้มันเปลี่ยนไปใจจะตั้ตองอยู่ในความสงมันปล่อยวางไปแต่แตยังไม่ตายนะพอถึงเวลาตามมันก็ไม่ได้เจ็บมันก็ไม่เห็ น, น, หนความสําคัญ การเด็ดดูสิ่งใดที่เราไม่สนใจแล้วนั่นมันจะเป็นอะไรจะเป็นกระตายอย่างไรเราไม่เดือดร้อนแต่สิ่งไหนที่เรายังให้ความสําคัญยังให้ความสนใจอยู่ไอ้ตัวนั้นนี่ยมันจะทําให้เราทุกข์กังวลกินไม่ได้นอนไม่ขับถ่ายขัยคมันมันมันก็จะมันก็เป็นเหมือนกันอยู่ที่ว่าเราให้ความสําคัญให้ความสนใจกับมันหรือไม่ถ้าเราให้ความสนใจความสําคัญกับมันมันก็ มันก็มันก็เป็นความทุกข์ขึ้นมาในใจของเราถ้าเราไม่ให้ความสําคัญอย่างมันไม่ให้ความสนใจของมันปล่อยมันไปตามเรื่องมันก็ไม่เราก็ไม่ถูกในเรื่องของความปวดในใจขอ้เนี่เราจะทํายังไงเพื่อเราจะได้ไม่ให้ความสําคัญไม่ไม่ให้ไปสนใจมันไอ้ตัวนี้มันยากก็นิสัยของเรามันชอบให้ความสําคัญชอบสนใจกับสิ่งนั่นสนี้ พอเห็นปั๊บนี่อาลมอยากได้หรือเอารมอยากอยากทิ้งย อ, ยอย่างนี้ก็เกิดขึ้นทันทีเห็นอะไรที่ต้องใจก็อยากได้ทันทีเนอะไรที่ไม่พอใจก็อยากจะห น, นีทันทีเนี่ยเป็นสิ่งไอ้ตัวเนี้ยที่มันยากเพราะว่ามันฝังลึกเป็นนิสัยได้ยินได้ตามอย่างนี้แล้วก็ยังไม่สามารถเอาความรู้นี้ไปหยุดมันได้เพราะามัน มันไม่พอความรู้ที่เราได้ยินได้ฟังมันยั ง, ม, ยงมันยังไม่มีกำลังมากพอความรู้ที่จะหยุดมันได้นี่มันต้องมีในระดับที่เรียกว่ามีสมีสมาธิกันกับเรียกว่าภาวนาไมยะันญญาความรู้แบบนั้นมันเป็นความรู้ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของจิตที่สงบจิตที่นิ่งจิตที่หยุดแล้วสมาธินี้จิตหยุดแล้ว ใจมันยังกระเพื่อมไปตามจังหวะเวลามันสําคัญนับรู้กับเรื่องนั้นน่้งนี้มันก็กระเพื่อนแต่สมาธิใ จ, ใจที่กําลังได้อยู่ในฟังในระดับนี้มันไม่นิ่งบังคับมันให้นิ่งยังไม่ได้รารู้รู้ว่าหรือแม้จะรู้ว่าไม่ควรให้ความสนใจไม่ควรให้ความสําคัญกับสิ่งตา่างๆก็ยังไม่สามารถทําได้ เพราะไอ้ตัวที่ให้ความสำคัญนี้มันไม่มันไม่นิ่งมันไม่ได้ถูกฉีดยาสลบมันจะทำ ท, ทันทีพอมันเห็นอะไรปั๊มันจะมีปฏิกิริยา ท, าทันทีถ้าชอบก็วิ่งเข้าหาถ้าไม่ชอบก็วิ่งหนีมันมันจะเป็นอย่างนี้แถ้าทำจิตให้สงบเป็นสมาธิได้ไอ้ตัวชอบกับตัวทางนี้มันจะถูกฉีดยาสลบ มันจะนเวลาในขณะที่อยู่สมาในสมาธินมันจะไม่มีอะไรปัญหาอะไรแต่พอมันออกจากสมาธิมันก็ยังจะออกมาแสดงตัวได้แต่เรามีกําลังของสมาธิที่เราสามารถหยุดมันได้พอมันโผล่ขึ้นมาพอมันจะไปละไปทางอะไรถ้าเรามีกําลังของสมาธินี่เราเดินกลับไปที่จุดเดิมได้จุดของสมาธิได้ กลับไปตรงจุดที่ฉันอิเตคาที่เป็นจุดที่มั่นได้ทั้งๆั้งที่เราไม่ได้นั่งอยู่ในสมาธิเราก็กลับไปได้ถ้าเราสมานาแล้สมานาที่นเราสามารถกลับไปได้เสงบต้องการให้สงบเมื่อไหร่ก็สงบได้อย่างนี้ถึงจะเรียกจะเป็นสมาสมาธิจริงสมาธิที่ไม่เสียงแต่ถ้าสมาธิที่ได้แล้วพขทั้งต่อไปจะให้สงบอยูไม่สงบอยูอย่างนี้ยังถือว่าไม่ใช่เป็นสมาธิที่แท้จริง ถ้าเป็นสมาธิที่แท้จริง้วเราต้องหยุดได้ตลอดเวลาเราต้องการจะให้มันหยุดเมื่อไรเราก็หยุดเมดื่อไทีนี้เราต้องอาศัยปัญญาเป็นตัวคอยคอยคอยกำหลังจิตเวลามันออกจากสมาธิเพราะเวลามันออกจากสมาธิมันก็ยังเจ็บนิสัยเดิมอยู่มันชอบอยังใช้อยเวลาชอบอะไรเราก็ต้องคิดจางให้เห็นว่ามันเป็นใจรัก ก็เราเห็นว่าตายแล้วต่อไปมันจะไม่ชอบจะไม่ถังแลมันจะเฉยเฉยเพราะว่าเหตุมูลเหตุที่ทําให้มันชอบมันชังก็คือความหลงมันไม่รู้ความจริงของเหตุของสิ่งนั้นของบุงคคลนั้นว่าเป็นอย่างไรพอมีปัญญาเห็นความจริงว่ามันเป็นตายรักมันเป็นอนิจจังทุกขังนันดรไม่ควรที่จะไปยุ่งกับมันไม่ควรที่จะไปเกียบข้องกับมันไม่ควรที่จะไปให้ความสําคัญกับมัน มันดูแล้วทีนี้ต่อไนมันเห็นกี่ครั้งกี่คราวมันก็จะไม่มีอารมณ์กับสิ่งนั้นอีกต่อไปไม่ยินดีไม่ยินร้ายไม่รักไม่ชกลไม่กล้าไ ม, ลไม่กลัวถ้ามีปัญญาแต่จะมีปัญญาได้อย่างต่อเนื่องอยู่คู่กับใจเหมือนกับอาวุธคู่มืออย่างเวลาที่ตำรวจหรืทหารเขาไปปฏิบัติหน้าที่เขาต้องเอาอาวุธไปติดตัวอยู่ตลอดเวลา พอสมัยรู้ว่าจะต้องใช้มันนื่นถ้าเอาไว้ที่บ้านพอถึงเวลาจะใช้มันก็ไม่ทันกลับจะวิ่งกลับไปที่บ้านกลับมะก็ก็วิ่งไปไม่ทันแะถูกเขายิงตายกันดังนั้นนปัญญาอย่างที่พวกเราได้ยินกันในขณะนี้ก็เป็นเหนปัญญาที่เราเก็บไว้ที่บ้านเนือเก็บไว้ที่ศาลาเ น, นียนะ่ยพอฟังเก็จต่อไว้ที่นื้ ออกไปก็ไม่เอาติดตัวไปด้วยพอออกไปจากศาลานี้ <c oughs> เห็นอะไรก็มาแล้วลรับทางตามมาเพราะมันไม่มีสมาธิที่จะดึงให้ใจมีกำลังดึงให้เอาปัญญานี้ติดตัวไปด้วย <c oughs> ถึงแม่อยาจะเอาไปก็เอาไปไม่ได้ผหลอกแล้วหลารใหยที่แต่ตทุกงตัวอย่างเดียวเกินวันเกิดขึ้นไม่ได้ เดื้อค่อนน้ที่สั่งทั้งนาฬตาเจ็ดวันเจ็ดคไม่ได้นาฬตาเจ็ดวันเจ็ดคืนเจ็ดนาทีนี้จะได้แบบยังต่อเนี่องก็เจนาทียางน้อยจะได้สมาธ ถ, ถ้าราด ท, รดทรําพุโธพุทโธยังต่อเนื่องเพียงห้านาทีก็จิตก็จะรวมย่นานถ้ามิจิตไม่ว่าไปพุทโธอื่นๆมีแต่พู้ออพโธอย่างนี้ภายใจ แต่มันทำไม่ได้เพราะอะไรมันไม่มีสติสติก็เป็นเหมือนเชือกที่จะดึงใจเหมือนจะไปจับเร่งแต่ไม่มีเชือกคอยจับมันมัดมันไว้กับสาพอจับมันได้พอปล่อยมันพอพอปล่อยมันปั๊บมันก็มันก็ดิ่งหนีไปแล้วต้องมีเชือกคอยผูมไว้เชือกก็คือสติสติต้องดึงใจไว้อยู่เรื่อยอย่าอย่าปล่อยให้ใจเหมือลอยคิดด้วยตัวดึงมันไว้ เหมือนกับสมอเรือที่ดึงเรือไว้ไม่ให้ไหลไปตามกระแสนาำสตินี้ก็เป็นเหมือนสมอเรือของใจอย่าให้มันไหลไปตามอารมณ์ต่างๆเวลาเรานั่งอยู่เฉยๆคนเดียวนี้มันไหลไปละวคิถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้อะไรอารมณ์ต่างๆก็คือเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องคนนั้เรื่องคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้คิดไปได้เรื่อยๆเป็นเชื่อมโยงเชื่อมโงก็คิดได้ แต่ให้ค อ, อยู่กับพุทโธคำเดียวคิดไม่ได้ถ้าคิด อ, อยู่กับพุทโธคำเดียวมันก็ไม่ไหลไปมันก็อยู่มันก็จะอยู่กับที่พอมาอยู่กับที่นานๆเท่ามันก็จะเด่นลงสุดๆนะมันก็จะลโล่งงงเสมอแล้วพอเราทําไปเรื่อยๆทํางานแล้วต่อไปเราไม่ต้องใช้พุทโธเพราะสติเรามีกาลังมากพอที่จะเสียแต่กำหนดให้อยู่ คิดหยุดปรุงแต่งมันก็หยุดมันก็มิได้ดังนั้นในทางปฏิบัติเรื่องเริ่มต้นก็ต้องอยู่ที่สตินะครับสติแล้วก็ไปสูสมาธิแล้วก็เป็นสู่ปัญญาสติก็มีหลายแนวด้วยกันกรรมฐานสี่ส่วนนี้ก็เป็นเรื่องของสตินะครับพิทางไม่สติธรมไม่สติทั้งทานิสติธามนาฟานสติ่ีแต่คําว่าสติตรงนค้ั ามาามสมถฐานสี่สิกายะตาสติข่างกายพิจ า, ารณาการสาสิสองอยู่ตลอดเวลาก็เ ร, าเรียกว่ามีสติอยู่กับอาการสาสิบสองอยู่กับร่างกายดูลมหายใจเข้าออกอยู่ตลอดเวลาก็ามีสติอยู่กับลมหายใจเข้าออกพิจ า, ารณาตากายอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกก็ <S <S เรียกว่ามีมารณานม่สตินี่คือสิ่งที่เราต้องเจริญ หรือแม้ทีนั้นก็ทําอะไรก็ให้อยู่กับการกระทํากําลังเดินก็ให้อยู่กับการเดินกําลังยืนก็ให้อยู่กับการยืนนั่งนอนก็ให้อยู่กับกิริยาบบนั้นกําลังทําอะไรเขียนหนังสืออ่านหนังสือรับประทานอาหารอาบน้ําอาบท่าทำอะไรก็ให้มีสติอยู่กับกิริยาของการทำมันต่อไปมันก็จะมีสติ มันก็จะสามารถควบคุมใจได้ไม่ให้ใจมันมันเหมือลอยไม่ให้ใจมันไปคิดด้วยเปือยอย่างที่เป็นอพอเราไม่คิดเลยเปลือยแล้วทีนี้เราต้องการให้มันคิดเรื่องอะไรเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็คิดได้อย่างต่อเนื่องจนเห็นชัดเจนว่ามันเป็นอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงสอนเป็นให้ดูว่าร่างกายนี้เป็นเพียงดินน้ำมลมฝันเราก็ดูถึงรากต้นของมันมาามันมาอย่างไร มันมาจากอาหารแี่ห้ร่างการของเราถ้าไม่มอาหารร่ากายของเราจะเรียตอบโต้ตขึ้นมาได้ไหรือมากอาหารก็มาจากไหนอาหารมันต้องมาจากดินน้ําลมไฟดังนั้นข้าวก็ต้องมีดินมีน้ํามีลมมีไฟมีแสงแดดเนื้อสัตว์มันก็ต้องเสกยนสัตว์มันก็ต้องกินผันกผักมันก็มาจากดินน้ําำลมไฟมันก็มาเป็น ท, ทอด พอมันเข้ามาในร่างกาย ม, ามันก็มาเปลี่ยนเป็นผม เ, เป็นขนจปนเล็อดเป็นไฟเป็นอะไร ก, การขอการจิตใจพอมันตายไปมันก็แยกออกไปคนตายแล้วน้ําในร่างกายมันก็จะไหลไปความร้อนมันก็ไหลออกไปลมมันก็ไหลออกไปถึงไปถึงถึงไป น, ไปนานชอบมันก็เหลือแต่ดิน ือของแข็งอะไรต่างกันดูอย่างที่มันแข็งต่อเนื้อที่มันแห้งก่อไปถึงไปในงานเข้ามันท่ากายเป็นคนตายเป็นตึงไปเรื่องถึงที่เราต้องทึกข์ใจนานอเรื่อยๆจนเราคิดว่าเรารู้แล้วว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เราไม่ใช่ใจทีนี้เราถ้าเราอยากจะรู้ว่า เรารู้จริงหรือไม่เราก็ต้องไปเข้าห้องสอนหาที่ที่สูจน์ดูหาที่เราจะต้องไปตรงร่างกายนั่นเอคือเรื่องปัญหาที่ที่มันท้าทายต่อความเป็นความตายนั่นเองที่ไหนที่เรากลัวตายไปไปที่ตรงนั้นป่าช้าก็ได้ถ้ากลัวตายกลัวป่วาช้าก็ไปที่ส่าช้าเพราะอย่างมากมันก็แค่ตายเท่านั้นแหละ มันจะทําอะไรได้มันก็ทําได้แต่แค่ร่างกายใจมันไม่มีอะไรทําอะไรได้ใครทําได้ระเบิดนิวเคลีก็ไม่สามารถทำลายใจได้เพราะใจมันไม่ได้ใจในรูปประธามันไม่ได้เป็นวัตถุเหมือนกับกระแสวิทยุเนี่ยระเบิดนี้เคลีก็ทำลายไม่ได้เงื่อนแสงแดดแสงแดดระเบิดนิวเคลีก็ทํางานไม่ได้าการนี่มันก็ทํลายไน่ได้ ฉันในใจก็เป็นอย่างนั้นมันไม่ได้มันไม่ได้เป็นรูปประธรรมมันไม่ได้เป็นวัตถุแต่มันก็ต้องมันก็ต้องแยกไปตามธรรมชาติของมันทําทำลายตัวมันเองร่างการนี้มันทำลายตัวมันเองเพราะมันมีสัญญาว่าจะอยู่ได้เพียงแค่นี้แค่นี้พอถึงเวลามันก็มันก็แยกทางกันไปดินน้ำลงไฟเหมือนกันเพราะว่าเขาทำสัญญาว่าอะไรมาอยู่กับ ล่างนี้นะถึงเวลานี now, ้นะพอถึงเวลานี้แล้วเราก็ใจคนละทางนะพอถึงเวลาเขาก็แยากถ้าเรารู้ว่ามันจะต้องเป็นอย่างนี้แล้วเราจะไปขมวนไปเสียดายไปหวงมันไม่ทำเพราะเราเราเราไปหวงเนี่เราจะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาจริงเกิดความหวาดกลัวขึ้นมาเกิดความคมามรังเกียจขึนมาแต่ถ้าเรา ยอมให้มันเป็นไปตามควาเพียของมันใจของเราก็ไม่สบายดูมันไปถึงเวลามันจะไป 5, 1, แค่ไหนก็จะทำได้ก็ต้องเริ่มเด้วยที่สติแล้วก็ตามด้วยสมาธิแล้วก็มาที่ปัญญาพอมีสมาธิแล้วทีนี้มันจะคิดได้อย่างต่อเ น, นื่องเจ็ดวันเจ็ดเดืนนี้มันพิจนารณามันจะไม่คิดหย่างอีกเลย เราได้ห้ามสมาธิแล้วเนี่ยมันก็จะเท่าสิ่ครับตามที่พระพิฆาตได้ส่งพยากรณ์ไว้แล้วถ้าจเจริญกรรมฐ า, านในสติปัญญาสีได้ภายในเกิดมันก็จะได้ของอย่ า, าถ้าอย่างช้าก็เกิดตีไม่ต้องสําเร็จไม่ต้องเสร็จางานหรือ แ, แม้เ่นนั้นก็ไม่ต้องสล ม, มาเกิดเป็นมนุษย์ งานั้นจะต้องได้ขา้นอาณาธรรมีขึ้นไปมันไม่ด้อยู่ที่ใครนะอยู่ที่ตัวเราไม่ได้อยู่ที่พระพุทธเจ้าไม่ได้อยู่ที่สุภาอาจารย์ไม่มีใครทาอะไรแทนเราได้คนเห็นกินข้าวแทนเราไม่ได้คนเห็นปฏิบัติธรรมแทนเราไม่ได้เรากินข้าวได้ทําไมเราปฏิบัติธรรมไม่ได้คนเห็นเขากินข้าวได้เขาปฏิบัติธรรมได้เราก็ต้องกินข้าวได้ปฏิบัติธรรมได้ หรือที่ว่าเราจะกาหนดต่อไว้ของชีวิตของเราหรือไมอ่สร้างแผที่หรือไหรือเรายังจะปล่อยให้มันไปการการแบบเดิมๆเพราะเรายังห่วงยังห่วงยังเสียดายสิ่งนั้นส่งนี้อยู่เรียนรักยั ง, ยงชอบสิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่ยังโสดกับสิ่งนั้นส่งนี้นอยู่ <S <S <ม>เราก็จะไม่มีทางที่จะไปทางที่พระเ จ, จ, ะจะ้าเขายัง เราต้องดูพระเจ้าเป็นตัวอย่างท่านจะมีความสุขเหมือนกับพวกเรามีมากกับพวกเราอยู่ด้วยความใจท่านเป็นถึงเป็นถึงว่าเทวรัตนความสุขทางด้านลูกศิษย์เก่งรถเปินี้ไม่ทรามีความบริสุทธ์มีก่สามสามดีดีมีทุกสิ่งทุกอย่างที่ที่มนุษย์ที่มีความร่ำรวยหรือมี ฐานะถึงๆจะมีได้พวกเรายังนี้ไม่ได้เท่าท่านเลยนั่ยังหวงมากกว่าที่ท่านหวงท่านมีมากขนาดนั้นแต่ท่านไม่หวงท่านไม่ห่วงท่านไม่เสียดายเพราะท่านพิจารณาด้วยปัญญาว่ามันนี้เป็นความสุขชั่วคราวเท่านั้นเองแล้วในบ้านปลาของชีวิตมันจะทุกขกรนั่นาอเพราะมันจะไม่สามารถ หาความเจ็บแบบนั้นได้ยุอร่างกายสราภาพกันนะหรือกล้าก็ไม่ดีนะจะดูรูปฟังเสียงหาความเจ็บจากรูปเสียงเหมือนเมื่อก่อนนี้ทำไม่ได้ร่างกายก็เจ็บเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้จะไปเต้ น, นร้องราทาเท่เหมือนเมื่อก่อนก็ทำไม่ได้จะไปเดินทางไปเที่ยวการสถานที่ต่างๆก็ไปไม่ได้กนะ็ต้องอยู่กันในห้องอยู่อย่างนบ้าน ก็มีแต่ความเศร้าเหงาค่อยเศร้าห้อยเหง mm ียวสงใช่มันมีจะเป็นวิถีที่เป็นจุดหมายลายทางที่จะต้องไปเสร็จฉันก็เลยที่ว่ายอมทุกข์ทมาตอนนี้ดีเพื่อ mm hmm. จะได้ไม่ต้องมาทุกตอนปลาของชีวิตอ้าเอาเอาชนะกิเลสได้ถ้าตราบความ อย า, นนาใ น, นความสุขต่างๆในโลกนี้ได้เกจอความสุขที่แท้จริงที่มีในใจได้นั้นก็สบายท่านก็สบายตั้งแต่อายุ 3.5 ไปท่านก็ท่าน ก, ก็มีแต่ความสุขในใจตลอดเวลาแต่ความสุขภายนอกไม่มีเลยเพราะไม่ได้ไม่ได้หาไม่ต้องการเพราะมันไม่ได้เป็นความสุขที่แท้จริงมันสุขน้อยแต่ทุกมาก สุกเียหนึ่งส่วนจะกทุกเสื้อเก้าสิบเก้าสิวนก็เลยไม่สนใจกับความสุดท้ายเอาความสุดท้ายไหนเวเาลาร่างกายจะเป็นอะไรจะ แ, แ, แ, แก่จะเจ็บกระารก็ไม่ได้มามาครบทืม่มาลบล้างความสุดท้ายอนใจควาสุาใจที่เออ ด, ดอยู่ตลอดเวลาอยู่ตลอดเวลา ดังอยู่ที่ตัวของเราอาจารย์ที่อัตโนนาเถิดที่บาอาจารย์ท่านก็ทําหน้าที่ของท่านนะทําการสัญญานะือตามตอนนะแล้วเราก็มาทําส่วนของเราเราก็ต้องปฏิบัติ ป, ปฏิปันโนอุชุยาญ า, า, าจามิจิญาจักรแต่ว่าฟังฟังเข้าหูซ้ายออกหูขวาลืมไปหมดว่าจะต้องทำอะไร คนสอนก็เบือก็เหนื่อยคือทำๆซักกล้ากลับมาทีไรก็เหมือนเดิมไม่มีข่าวดีมาเล่าให้ฟัง <c oughs> เพราะถ้ามันรีอะไรดีมันมันจุดไม่อยู่ครับแล้วหน้าตาท่าทางมันจะเปลี่ยนไปกลับมาค้าหน้าอาจจะโรงผมแต่ล้วณะใส่นาให้ดูก็ได้ตอนนี้มันรู้แล้วใช่แล้ว นี่กลับมาก็ยังชุดเดิมผมก็ยังทรงเดิมอยู่คนไหนเคยสั่งหน้าตาป่าก็ยังแต่งหน้าตาป่าอยู่ถ้ามันได้ผลแล้วมันอเรื่องภายนอกนี่มันจะเปลียนแต่มันไม่ค่อยสนใจเรื่องความสวยงานทางทางร่างกายนี่มั น, นไม่เห็นความสํคาสคาัญเ่า ผมมืจะตั้งผมไปเรื่อยๆตั้งมันดูรรักษาง่ายคว่าสบายคว่บอย่างนี้ไหนจะไหนก่อนจะให้มันแห้งเวลาสักนี่ก็ำลำบากลำบนญเขาอย่างนี้มีการยดติดในเตอสะในผมยู่หยังหัวมันยังเสียดาย ก่ีใครถามอะไรนะในอยากจะถามอะไรนะใค <Okay. S 2> รนก่มก็ถามเ่อออาทิตย์ก่อนสองอาทิตย์ที่ผ่านมามีรื่งขึ้นมาใ น, าใ น, าน่าาที่่แล้วก็พี่ชายถูกชวนเข้าไปทีเขาถึต้องวิ่งไปวัดไปโรงพยาบาลไปสถานีตรวจ แต่ว่ามันเที่เกิดขึ้นก็ือเวลาที่เราไปวัดแล้วเห็นลงศพเนี่ยชีวตเราต้องคิดขึ้นมาก่อนว่าเออนี่ไงสุดท้ายก็คือความตายชีวิตเราก็ต้องเป็นอย่างนี้แต่ว่าตอนนี้มันเปลี่ยนไปที่ว่ามันขึ้นเองนะเราไม่ต้องมีายามิดก็เห็นพี่ชายใ้องไอซีูมันก็เลือนขึ้นมาเองเลยว่ากรรมและันธชีวิตคนริงนะถึงแม้ผูพันถึงแล้ว่าหางนมาได้เยอะยังไงแต่ก็ไม่สามารถช่วยชีิตเขาเอาไม่ได้มันเอง วันนี้เราก็จะต้องเป็นเหมถึงกันคือมันปลูกขึ้นมาเองเลยเราต้องคิดเลยแล้วมันก็นิ่งไม่ไม่ได้รู้สึกวิ่นลอยอะไรแล้วก็ในระหว่างที่ชีวิตวุ่นวายอยูกับความแห้งนี้แะค่ะคือมีความรู้สุดเลยว่าถ้าเราถ้าเรามีสติลงรู้ปัจจุบันตามดูกายดูใจปัจจุบันนี่แหละมันเบามันเย็นไม่ร้อนรนแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่จิตมันเหนื่อยก็จะคิด อยู่ในความคิดมันจะเริ่มตูงขันขึนนะแต่วันนี้ก็เห็นนล้ว่าถ้าเรามีสติเม่าไหร่มันมันดีได้เลยแ ต, แต่มันก็ยังมันก็ยังเข้าๆออกๆอยู่กิดการเหมือนว่าสติเห็นกางพานามมีสติชักเพิขึ้นแล้วก็เราไม่คฟมีค่ได้นั่งมีคฟอยได้พอน า, านช่วงที่ชีวิตวุ้นวายนแล้วมีวันนี้รู้สึกว่ามันเหนื่อยมากถ้ า, ลาเลยบอกเองว่าต้องนั่งไม่ได้มันมีต้องนั่งพักนัง ก็นั่งไม่ใช่งานตาติก็ช่วงแรกสงบอยู่แต่พอถ้าตัวยะนหนึ่งมันเหมือนมีตัวรู้ขึ้นมาเหมือนมันเห็นจิตวิ่งออกับตัวเองไปคิดจิตนะไปคิดเรื่องเรื่องเรื่องบัดรเหตุนี่อะไตัวรู้มันเห็นมันเห็นชัดเลยว่าจิตมันทางานของมันเอง เป็นเที่เราบอกกายว่าให้กายนั่งอยู่ตรงนี้แล้วก็นั่งนั่งดูลงหาใจอยู่จ้นเหมือนีตัวรู้ตัวนึงเห็นกายนั่งอยู่แล้วก็จิตติดจิตจิตแล้วมันก็เลยขึ้นในใจตัวรู้มันขึ้นในใจก็้บอกว่าข้างในเราบรรทาอะไรไม่ได้เลยสัางสั่งทางานของมันแต่แมันก็รู้ขึ้นมาต่อว่าถ้าเรามีสติเนี่ยเราสามารถจูนกายกับใจมาให้ทํางานตามที่เราต้องการได้มันรู้สึกอยงนี้ขึ้นมาเอง มันเ mm ็ต hmm. ้องเป็นอย่างนี้นะครับคือที่รู้สึกมันมีมันถูกต้องไหมคะถูก็แบบเพราะว่าเราดูเราทดลองดูใจของาเราเห็นใจแล้วเห็นการทำงานของใจว่ามันมีสองฝ่ายฝ่ายธรรมกับฝ่ายกิเลสถ้าฝ่ายกิเลสทํางานมันก็มันก็ทาให้เราเกิดความทุกข์เกิดความมีวายัจพอฝ่ายธรรมทางานมันก็จะทำต่อไปแล้วก็พยายามดูใจสำับคนอนให้มันทํางาน ในทางธรรมมากมากคือในพิจารณามากพิจรณาความแก่ควางเก็บควางตายพิจารณาใจรักอันมากขึ้นให้ถีดขึ้นให้แผงไปคับทุกสิ่งทุกอย่างทุกคนเห็นอะไรก็เอาใจรักนี Mighty ่ไปตีไปตีตาไว้เลยเหมือกับวัวควายที่ก็จะเอาเข้าไปลงลงเชื่อกแล้วก็จะจะตีตาไว้ ตัวนี้ลําดักนี้ลำาดักนี้ลําดับนีน้เราเจอใครเห็นใครที่ไหแล้วก็ตีตาในในในแล้บพอไปตีตา<ม>แล้วสอตคนนี้กนะ็จะไม่ใ่ามเงินกับนมันก็จะไม่ใมจใ่คิดไะยืนนมกับกันนะแต่ถ้าพอมันเผอปั๊บมันก็จะคิดตอนครั้งนึ ม, มันก็จะอยากคนที่เรารักเราคารถก็อยากได้<ม><ม>เราอยู่นานๆอย่างนี้คือความจริง พอคิดอย่างนั้นมันก็เกิดพาทุกขึ้นมาตามจิตพราะถาไปคิดปั๊บมันเราเหว่ามันปรุงเราคิดทำเองเพราะมีขับมามันก็จะต่อไปเราต้องสามารถควบคุมความคิดได้ทุกทกขณะจิตมาให <c oughs> ้มันคิดแต่ในทำทำนั้นหรือไม่คิดก็ให้มันเฉยเฉยให้มันไม่เฉยเฉยให้มันสักแต่รู้ถ้ามันคิดก็ให้มันคิดมาทาทำทำมั้ะ ถ้ามันจะไปทางเกลือก็เกดินกลับมาทางใจรับทางจนี่มันก็ต่อไปมันก็จะไม่มีทางที่จะไปทางกเกลือได้ต่อไปมันจะเห็นแล้วว่าเรื่องทั้งหมดไม่ได้อยู่ที่ภายนอกภายนอกที่เราต้องพิจารณาภายนอกเนี่ยเรื่องต้นก็เพราะว่าใจเร า, เาไปยุ่งกับมันเองพอใจเราถอนก็นมาภายในแล้วทีนี้เราเรารู้แล้วว่าปัญหาอยู่ที่ตัวนี้ปันญหาตัวที่จะไปคิดถึงเรื่องโน้นเรื่องนี้เอง พอเราเรารู้แล้วเราหยุดตัวนี้ได้แล้วเราก็ไม่ต้องไป้องวลกันเรื่องภายในเราแลมันก็ไม่ออกไปละมันี้มันรู้แล้วว่าปัญหามันอยู่ที่ใจเราไม่ได้อยู่ที่คนนั้นคนนี้คนนั้นคนนี้เขาก็เป็นของเขาอย่างนี้หมดเขาดีเขาเชื่อเขาก็เป็นอย่างนั้นของเขาเขาแก่เขาเปลี่ยนเขาตายเขาก็เป็นของเขาอย่างนีแต่เราไปยุ่งกับเขา่เพราะเราไม่สามารถควบคุมใจของเราให้อยู่ข้างในได้ นี่ถเร า, ามีสติมีสมาธิมากขึ้นมันก็จะเดึนไว้ดึงไว้ให้อยู่ข้างในต่อไปมันก็จะเฉยๆกับเพื่อนภายนอกอะไรจาทำอะไรก็โอเคได้คงนั้นมันาจะทำอะไรก็เห็นครับร่างกายจะเป็นยังไงก็เหน่้เขาดีแด้กั็ดีแล้วไปต้อง ไ, ได้ก็ท่องไปรักษาได้รักษาไปรักษาไม่ได้เงนจะเป็นยังไงก็ต้องท่านเป็นไปเท่านั้น แต่ใจนี้่จะเล่นสบายเนี่ยก็ทําต่อไปให้มันอยู่ดูดูที่ข้างในงเรารู้แล้วเนี่ยจุดนั่นก็จุดของปัญหามันไม่ได้อยู่อยู่ที่ข้างนอกอยู่ที่ข้างในงใจเป็นประธานใจเป็นใหญ่ทุกสิ่งทุกอย่างปัญหาต่างๆทั้งหลายเกิดที่ใจอริยสัจสี่ก็อยู่ที่ใจนี่แหละไม่ได้อยู่ที่ไหนทุกเหตุทุกทายที่ได้มา ถ้ามีมรรคมันก็อยู่ข้างใถ้ามีสมุทยมันก็ออกไปทางนอนอย่างที่หลวงปูนินท่านเทศ น, นะถ้าถ้าจิตตรงออกนอกก็เป็นสมุทัถ้าจิตเข้าข้างใ น, น, นก็เป็นมรกจิตไปเข้าข้างในได้ก็ต้องมีใจร ล, ลกมีสติเดินเข้ามามีกรรมาฐานเนี่ยเดินเข้ามาพุทโธก็ได้ ภายในภาระสติก็ได้บาระนาตสติก็ได้คีอจะเป็นตัวเป็นมรรคใช่ไหมสมมตนีคเป็นมรรคเิตเข้ามาถ้าเผลอไปคิดถึงเรื่องนั้ น, นก็เป็นส น, นิทใจครับเวลาจะแกบประเด็นได้แวตัวที่จะต้องปฏิบัติจุดที่จะต้องปฏิบัติไม่อ ย, ไมมอยู่ตรงไหนไม่อยู่ตรงไั้น พอไเวลาเราสัมผัสกับอะไรรับรู้อะไรเราจะดูที่ตัวใจนี่เป็นหลักว่ามีปฏิกิริยาอย่างไรเห็นแลดีใจสียใจทุกข์กังวลใจรู้ฝายหรือว่าเห็นแล้วเฉยๆสัจจะว่าเห็นสัจจะว่ารู้ถ้าดีใจก็ไม่ดีเสีใจนี่ก็แสดงว่ามันยังรักมันชอบถ้าเสียใจก็ไม่ดีถ้าเป็นเฉยๆมรู้ว่าเออการันรับรู้ ด่าก็ไม่เสียใจแต่ละแสนก็ไม่ดีใจไม่ห า, า้กล้าก็ไม่กล้ากลัวก็ไม่กลัวถ้ากล้าก็ยังบ้าอยถ้ากลัวก็ยังบ้าอยู่ก็มีแต่การก่อนจะหายกลัวนี้มันต้องบ้าต้องกล้าก่อ น, นกลัวอะไรก็บุตรไยกลัวป่าช้าก็ไปป่าช้ากลัวเสือก็ไปหาเสือวิ่งเข้าหาเสือย่าต้องบ้านย่งนีนก่อน พอมันหายกลัวแล้วทีนี้มันก็หายบ้าแล้วมันก็ห ต, ตั้งมันจำเป็นจะต้งแต่หะตาก้าไม่ต้องใส่หาเชื้อหาอะไรเพามันมันไม่มีปัญหาแล้วมันไม่กลัวแล้วตาก้านี่มันเป็นอ น, นยามาแก้ความกลัวพอมันหายกลัวแล้วก็ไม่ต้งใส่ก้าแล้วก็อยู่ตามธรรมดาการทรมานต่างๆนี่จะเป็นวิธี แก้พิเกเอะไรเงพอพิเลกหมดไปแนละ้ก็ไม่ต้องท ร, รมานเมื่อก่อนถ้าอบอาหารที่รักษาวันห้าวันเดินเดินจงกรมเป็นเวลานานั่งเป็นเวลานานให้มันเจ็บมันปวดแต่พอมันไม่มีพนะิเลกแล้มันก็ไม่ต้อ ง, ปงไปทำท ร, รมานกากกันมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรกับใจเหมือนกับยาที่เรากินรักษาโรคพอโรคมันหายแล้วที่กินยาต่อไปมันไม่เกิดประโยชน์ การภาวนาการปฏิบัติของพระสนาร์เจ้ า, าพรนะอุปายาข้นี้ไม่ได้ไม่ได้เป็นการภาวนาเพื่อกําจัดเกลื่อเป็นการอยู่อย่างสบายของกายและจิตเท่านั้นเองเการพักผ่อนของพระอนนริยเจ้าการพักผอนด้วยการภาวนาด้วยการเดินจําคม น, นั่สมาธิแต่ไม่ได้มาเพื่อที่จะกําจัดกลื่อน เราไม่รียก้ำกี่เลยให้ทำจังลองลองนะร่างกายมันก็นั่งมีการหนั่งกัรนอนอย่างเดียวมันก็ไม่ไหวมันก็จะอ่อนแอลงไปมันก็ต้องมีการเดินออกกำลังกายบ้วงถ้าเดินเดินจุผมลมบ้างๆนี่ถ้าว่าเมีนิสสงคือทำให้ร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไข้ไม่ปว ในก า, ารปฏิบัติเราก็ต้องเปลี่ยนเอียร์หดแต่ในเบื้องต้นนี้เราจะใช้การนั่งเป็นหลักทุกคนเพราะเราต้องการจิตให้มันสนุกเราเอียร์หมดท่านั่งให้มันเป็นค่าที่เหมาะที่เสุดตามควาเป็แต่พอเราได้ความสนุกแล้วกลับไปเราจะต้องออกเดินบ้างเปลี่ยนสลับกัน อรา่างการนี้นนไม่ร่างไกนานเข้มามันก็จะิดจะเนื่องได้เราตกอเปนอิริยาบถเดินและเวลาเจริญสัญญานี้เนี่ยจำเป็นจะต้องนั่งกระดานเดินถ้าเจริญได้พิจารณาอาการ32พิจารณาเกิดจากจิตในี้เราทาได้ในทุกอิริยาบถเลยไม่ว่าเราจะทำานานเรก็พิจารณ า, าตามแก่ามเกดตามายตามได้เชื่อมขอ ง, ของส่งต่าๆที่เราเห็นที่เราทำทำอยู่ได้ตลอด้วลา จนมันเป็นวิสัยขึ้นมามองเห็นอะไรก็จะเห็นเห็นนั้นจังเห็นนั้นก อ, อยู่ตลอเลามันก็จะไม่ยินดีมันก็ไม่อยากได้ือมันก็จะไม่ เ, เกือก้อหนุนกับเราการชงกองเราก็ทาสมาธิไปได้ด้วยถ้าก็าไม่อยากจะเจรเิญปัญญาก็คิดโทอย่างเดียวก็ได้เนือดูท้าที่เราเดินก็ได้ใช้ขาใช้ขวาใสาา่ฉล า, า, าด ันจ้ใช้ความรู้สึกที่เท้าสัมผัสกับพื้นนะได้แล้วก็มาเดินไปสักระยะหนึ่งมันช่วงแรกผมันจะวุ่นมากเลยนะะเพราะมันไม่ได้ตารเห็นุ่นอ่ดวเรถสสุดาไทยแต่เราปสักคัดหนึ่งรู้สึกว่าพวกนั้นมันไม่เข้ามาในใจเราที่เหมือนใจเัวใจเรา้ถี่านึมันก็สัตแต่ว่าได้ยินแล้วเราก็รู้สึกว่ามันโล่งลงมากถ้าเราอยู่กับ การเกลือ่อนหลของของทาง่านี่คือการการสมาธิการทสมาธิคือแท้นือแต่มันไม่ต้องนิ่งแบบว่าร่างกายหายไปหรืออะไรยนะ่นันมันนิ่งแบบว่ามันจะมืเดขาแต่มันยังรับรู้เรื่องต่างๆแต่เรื่องต่างๆเรไม่ไปสนใจให้ความสำคัญกับมันนี่ก็บบเป็นสมาธิอย่างน้นี่ก็คือคำว่าจไปหรือว่าเราควรจะไปทำนี้แบบกราษขาเรา ว่าแล้วแต่มันมันจะออกไปก็ก็ออกเอมันก็ต้องเปลี่ยนกันสลับกันถ้าเราทําอย่างเดียวมันก็จะพัฒนาที่อย่างเดียวมันก็จะไม่ได้สัญญาถ้าทำสัญญาอย่างเดียวมันก็จะพุ่งได้พุงช้านะถ้าทำมากเกินไปแล้ว ม, มีมีครั้งหนึ่งเกินก็เห็นใตายเท้าตัวเองเป็นแกระดูกขาวโอยขึ้นมาแล้ ว, ลวก็ตกใจกนะคะ มราไดยเสียงรวดเสียงรถใม่ก็อะไรไปตกใจทำไมมันก็เป็นของจริงไม่แน่เลเข็นแล้วก็เท้ากระดูกนิ้วกระดูกกระดูกเท้าใต้ผิวหนังมันมีแต่กระเดูกท่นั้นไม่แน่ใต้ผิวหนังใต้เนื้อมันก็ไม่อะไรก็มีแต่กระดูกที่มันหุ่มหอที่ถูกพุ่มหอมอยู่ด้วยด้วยด้วยหนังไยควรจะให้มันอยู่งานขึ้นควจะกาลขึ้นมาแบบ คนจะให้เปนกาหนดเห็นทั้งทั้งล่างเลยก็จะศีรษะลงไปถึงท้าดูดูทั้งของเราดูทั้งสองคนอื่นกันจนเหมือนกับที่ในพระไตรปิฎกที่พระรุ่นหนึ่งท่านกำลังดูทวงกระดูกอาจจะมาช่างช่างไม่ไม่เห็นใครนะเห็นแต่ทงวงกระดูกมีคนมาถามว่าเห็นคนนั้นเดินมาทางนี้นะัหมก็ไม่เห็นมีแต่ทวงกระดูกมาก็ ไ ม, ไม่รู้ว่าเป็นใครแล้วไม่สนใจว่าเป็นใครดูให้ใครวินัยก็เห็นแต่โครงกระดูกของท้องนี้หรือ ถ, ถ, ถ้าดูความไม่สวยงามก็เพืเ่อจะตัดราคะก า, ารมรรคาหรือการมรรคฐานาการไม่ใช่ไม่ได้ไม่ไลยนะครับว่าจะตั้งใจไม่ต่างใจเห็นไหมเถึงว่าการพิจารณาอุภะความไม่สวยงามนีน้ก็เพื่อที่จะตัด ความหลงในความสวยงาของร่างกายให้เห็นว่ามันไม่มันไม่สวยงามแบบที่ที่เราคิดกันมันมีมันมีโครงกระดูกเป็นต้นมีกายวิภาคมีลำไส้อย่างเนี้ยเห็นลำไส้ถ้าร่างกายผิวหนังร่างกายมันมันก็เหมือนคลาสเจ็ตที่ก็คงจะไม่หลงกันเท่าไหร่พอเคลนทีไรก็เห็นตับไตไส้ตูมันมันก็ไม่หลงกัน เห็นเห็นกระโหลกศีรษะอยู่ภายใต้หน้าใบหน้านี้มันก็จะไม่หลงถอยแ้่ไม่เห็นกันเราต้องเห็นด้วยปัญญาเพราะว่าปัญญานี่มันสามารถมองทะลุหนเข้าไปได้มองทะลุหนงทะลุเข้าได้แต่าตาเนื้อนี่มองทะลุไม่ได้ปัญญานี้เราเบื้องตอน้นเราก็นึกขึ้นมาขอดล้วก็ดูของจริงของคนอื่นก่อนเช่ทนที่ภาพที่เขาถายของคนตายเน่ะ ที่ภาพคนสนะูกแล้วเราก็ามาเน้นอยู่ในใจเดินจนคงไปก็เน้นอยู่ในใจนดินสมาธิก็เน้นอยู่ในใจเดินถ้ามันมันติดตาติดใจไปแล้วขั้นต่อไปเวลาเรามองใครแล้วก็ภาพนี้ไปมองไปประกบกับคนที่เรามองเดินถ้าห้องชัดเจนตลอดเวลาเพราะงั้นมันก็จะไม่เีความรู้สึกกำนังยืนดี ทำให้เป็นยาลาภาไปเลยไม่วายุนิชายก็มันก็เหมอนกันมันก ร, รรมฐานหรือารนี่มันจะเหมือยามันแก้กิเลสต่างๆนั้นมันมีหลายกิเลสมันมีหลายชนิดธํามะก็มันมีหลายชนิ ด, ส, นดสุภาษี้จะแก้พวกเนี้ยพวกพวการมาาคะการมราสัญหา ภาวะต่าหาเรื่เรื่ออภาวะต่ามหากันก็าต้องเวลานวาไม่เที่ยงอยากจะเป็นใหญ่เป็นโตก็มันก็เป็นได้เรื่องานเป็นได้เดี๋ยวมันก็เกิัเปนข้าราชการเดี๋ยวยี่หกสิบ้สียเงี้ย้เป็นนานยกก็ได้แค่สี่จิยี่หกี่ไม่ถึงเจราญมันก็มีจุดจบลง ถ้ามเป็นโดยโดยโดยทาว่าบังคับมันก็ไม่เป็นไรโดยที่เราไม่ได้จะอยากเป็นเองอย่างเป็นท่าเนี่ยมันก็บวชไปนานเข้ามันก็เป็นหลวงพ่อหลวงตาไปบวงที่ไม่ต้องอยากเป็นมันก็เป็นไปเองไอ้อย่างนี้มันไม่เป็นไรมันไม่ยุไม่ตึงกี่เลยความบวชใหม่ๆก็เป็นเป็นท่าบวชใหนก็นั่งปลายแถงกันนะความบวชไปเรื่อยๆมันก็อยากขึ้นไปเรื่อยๆเดี๋ย้แล้วก็มานั่งหัวแขง ประเดี๋ยวมันก็ต้องขยับให้ผ้าที่นั่งอยู่ปลายแถวขึ้นมาดีๆน้องหูน้องตาก็ต้องเข้าเลนไปมันก็ไปตามภาวะหมือนกันแต่ถ้าเราไหวมันเป็นไปตามภาวะแล้ที่เราไม่มีความอยากเป็นก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่เป็นปัญหาอะไรนี่ก็จะให้เป็นสังขาราชก็ไม่เป็นปัญหาอะไรเราไม่ได้หวเป็นอะไรก็เป็นก็เป็นไป เราก็อยากเราก็จะกดน้อเราก็ไม่ถ้านนั้นถ้าเราไม่มีความอยากที่จะเป็นของนี้เดียวสว่างนะนี่ไม่ได้อยากให้มาก็รับไรเดี๋ยวเสียนรับติดย้อรอบดังนั้นแหละมันมันมันมันอยู่ในภาวะจาลองมันเป็นแตตามภาวะจำลองมันจะเติบแต่ตามความอยาก คนผ u, ูาใหญ่ไม่เหลือกำลังใจแย่ถ้าไม่ใช่สัญญาคนเดียวกินได้นี่ยังไงก็กินไม่ตาดยับ คนละที่คนละหน่อยเนี่นยใช่ผสมกันผสมกันไม่ก็น้ำเหมือนกันมันไม่ได้อยู่ที่น้ำอยู่ที่ของมันอยู่ที่น้ำใจมันมีน้ำใจเราเราให้แเราจะแสดงว่าเราได้ดินได้ผลลคนรับก็จะไปทำอะไรนี่ไม่สำคัญเพราะสิ่งที่เราให้นี้ไม่ใช่เป็นของเราแล้ว ของคนของคนรับพไปแล้วเขาไปให้คนอื่นต่อแล้วก็ควรจะอาไม้เมืองธนาได้วยทำไปเขาก็เอาไปทำประโยชน์ต่ออีกทีไม่ใช่ให้แล้วจะต้องให้ให้เขาเดพอไม่จป็นก็เสียใจอันนี้เราตายดีกเลยไปทาตามามอย่าง มื่อคที่ประจาย์พูดถึงเจ็ดเดือคะถ้าอย่าจะมีนี้ในในส่วนของคารวะเนี่ยเขาต้องปฏิบัติยังไงคะที่คือภายในเจ็ดปีที่จะปฏิบัติคือเจ็ดปีนี้มันต้องปฏิบัติอย่างเดียวอะคือไม่มีงานอย่างเดียวนะ <c oughs> ส่วนใหญ่ที่ท่านแสดงนี่ท่านแสดงให้สาวพระที่เป็นเป็นนักปฏิบัตินะ ไม่ไมถ้าเป็นคา ร, รวาวาสก็ก็ปฏิบัติได้หมเพราะ ว, ว่าไม่มีงานอย่างเห็นทำอยู่บ้านก็ปฏิบัติตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจะแบบยังยังคง น, นั่งสมาธิถ้าทำแล้วก็ทำสองอย่างนี้อย่างต่อเ น, นื่องสลับกันก็จะได้อย่านอนไม่ได้อยู่ที่เพศไม่ได้อยู่ที่วัยไม่ได้อยู่ที่สถานที่อยู่ที่การปฏิบัติทรรม ผู้หญิงก็ปฏิบัติได้ฆราวาสก็ปฏิบัติได้นั่บวจก็ปฏิบัติได้เพียงแต่ว่านักบวชไม่มีโอกาสได้ปฏิบัติมากไปก็ออนัก่วเ น, นี้ไม่มีภาระอย่างองื่นถ้าเป็นฆราวาสก็ยังมากจะมีภาระนน อ, อ, อย่างนึ่งบุพเพย์เยอะเว้นฆราวาสที่มีบินมากคือมีบารมีมีเงินมีทอ ง, งสามารถตัดภาระต่า ง, างๆภายนอกได้และอยู่ฐานนั่บวช เแต่ว่าไม่ได้มาอยู่ที่วัดเท่านั้นไม่ได้บวชแต่ใจบวชแล้วคือใจตัดเรื่อ ง, งทางศึการ่วได้นะไม่หาทางสุกทารูวถึงถึงถดส่วตัไม่มีคู่ครองอยู่คนเดียวไม่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับใครอยู่คนเดียวภาวนาตลอดเวลาขณะที่ตืนถ้าทำอย่างนี้ก็ถ้าเจ็ดวันนี้เจ็ดเจ็ดตืนก็ได้ พระพุทธเจ้าไปตรวจพระราชนิพนธ์ตอนใกล้จะสรรค์เขาท่านก็บรรลุได้เจ็ดวันก่อนที่ท่านจะสวรรค์ท่านก็บรรลุในพระละนี่นี่ถ้าค า, ารวะทำหนี้พระจักผู่นี้ก็คือยังต้องมีอาจารย์ขอช่วยอยู่ด้วยอาจารย์ก็มีหลายรูปแบบอาจารย์ที่เป็นผู้ที่ปฏิบัติมีความรู้แล้วมีประสบะการณ์ เร่อหนังสือธรรมะดีของครูบาอาจารย์หรือคำสอนของพระพุทธเจ้าตอนนี้ก็เป็นอาจารย์ได้ขึ้นอยู่ว่าเราจะเราจะมีแบบไห น, นถ้าไม่มีนังกยายะเพราะว่าทางนี้ต่อให้เปลี่ยนยังไงก็หลงได้นั้นถ้ามีครูบาอาจารย์แล้วมันสะดวกรวดเร็ว มีคนคอยคอยบอกพอมาถึงทางแยกครับก็เหมือนกับมีป้ายบอกไว้เลยเลี้ยวซ้ายนะพอมาถึงทางแยกนี้เลี้ยวขวานะตรงไปนะอย่างนี้มันก็ไม่ต้องไปเสียเวลาถ้าไม่มีป้ายมันจะถึงทางแยกอ่ะไปทางซ้ายก่อนเอะไปสักพักเอาไม่ใช่ขอให้กลับมาไปทางขวาก่อนเอาไม่ใช่ต้องตรงไปมันก็จะเสียเวลาเดี๋ยวไม่เท่นนั้นก็หลงได้เพราะที่ว่าไปทางนี้ถูกแล้วเอาไปมันดุยไปเรื่อยๆก็ ก็ไปแบบว่าหลงทางไปเลยดัยงนั้นก็การปฏิบัติต้องมีครูบาอาจารยแบบ์ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งทุกคนไม่จำเป็นแต่ไม่ไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นคนนั้นคนนี้หนังสื อ, อดีๆถ้าเรามีสติปัญญาที่จะสามารถแะความหมายของคำสอนได้เราก็ใช้เองเป็นอาจารย์ก็ไดนะ้ แต่ถ้ามีอาจารย์ในในรูปแบบของคนที่มีประสบการณ์นี้มันจะว่องไวกว่าเพราะมีปัญหาอะติดขัดอะไ น, นี้ไปเล่าให้ฟังปักนมันก็ก็ไม่ต้องเสียเวลาไปค้นหาคําตอบในหนังสือเพราะท่านสามารถให้คําตอบได้ทันทีถ้าท่านผ่านมาแล้วนะแต่ถ้าท่านไม่ผ่านท่านยังไม่ผ่านท่านก็ช่วยเราไม่ได้เหมือนกันเพราะท่านะ็ยังไปได้ถึงทาง น, นั้น แต่ถ้าท่านผ่านไปแล้วอย่างนี้นก็ถามพอพูดมาปั๊บท่านก็รู้แล้วติดตรงนี้จะ ต, ต้องแก้อย่างนั้นต้องมีอาจารย์เถ้าถ้าสรุปแล้วก็ต้องมีอาจารย์แต่อาจารย์ก็มีหลา ย, ลายรูปแบบด้วยกันอาจารย์ที่เป็นเป็นคนมีชีวิตอยู่หรืออาจารย์ที่เป็นทำสอนในหนังสือในเทในซีรีส์หรืออะไรก็ เพราะการเดินทางนี้การ<ม>เดินทางทางแนวทางที่พระเจ้าทรงสอนนี้ทั้นสองนตอนหรืสอสองขั้นตอนสามขั้นตอนไม่ต่างกันปริยัตปฏิบัติและปฏิเวชขั้นตอนแรกก็คือปริยัตต้องศึกษาต้องศึกษาแนวทางว่าจะต้องทําอะไรบ้าง ก็ต้องมีคนสั่งอย่างวันนี้เรามาฟังทเทศทางทานี้ก็เป็นปริญญาณเนี่ยกำลังฟังอย่างทานฟังว่าเราจะต้องปฏิบัติต้องทําอะไรอย่างไรเมื่อเราฟังแล้วขั้นต่อไปเราก็เอาไปสืบการปฏิบัติที่สองบอกให้จเจริญสติอยู่ตลอดเวลาล้วก็ทําีให้อยู่กับพุทโธให้อยู่กับเกิดจาริญกายให้อยู่ตลอดเวลานนจนกาจิตมันจะสงบนิ่ง สามาให้มนวิ่งได้ทุกเวลาที่เราต้องการหลัขั้นนั้นเราก็องมาจเจริญดูอนุจังทุกขนานร่างกายในขันท่าในสิ่งต่างๆที่ใจเราไปเกี่ยวข้องด้วยเพื่อปล่อยวางเพื่อตัด เ, เพื่อละในสมบัติเหลือกลือใช้ก็ยกให้คนอื่ก็ได้จะให้ใครได้ให้ลูกให้สามีหรือจะไปทานกิน ให้จาขนาะประโยชน์ที่ไหนก็แต่เราจะจะทําถ้าเมื่อเราไม่มีความจำเป็นกำลังแล้วเราจะเห็นอนะไรทั้งนเมื่อเราไม่ต้องพึ่งมันนะล้เราไม่หาความเริดจากนมะันแะเรามีความสุขที่ดีใจแล้วถ้าจิตถ้าจิตเราสงบจริงๆนะเราจะเห็นว่าไม่มีอะไรที่จะมีค่ายิ่งกว่าความสงบเราก็ไม่ต้องเราก็ไม่ต้องอาศัยเงินทางอาศัยสิ่งต่างๆให้ความเกิดกําลังเหมือนเมื่อก่อน เราก็จะให้ได้มีเลาก็อยากจะให้เพราะมีไว้ก็หนักออกหนักใจกันาไ ป, ไปเป็นภาระทางด้านจิตใจต้องคอยดูแลรักษานี่คือการปฏิบัติมันจะเรียนก้าวหน้ามันจะมันจะตัดไปเรื่อยๆมันจะปล่อยวางไปเรื่อยๆจกนกระทั่งไม่มีอะไรเหลือกอกจาบตัวตัวเดียวตัวของตัวเองนั่นแหะสมบัติไม่กี่เพงที่จาเป็นต่อการําลงที่ อย่างพระถ้ามีแค่แปดชิ้นเท่านั้นเองเรียกว่าอัฐบริขารมีบาทหนึ่งใบมีจีวรสามผืนมีประคตแอลมีที่ก่อหนวนดใบนีกโกนแล้วก็มีที่กรองน้ำแล้วก็มีเข็มกลับได้ไว้สำหรับปปะชุนพีวรระดามขายเรืง่งแค่นี้ก็พอสมบัติสำหรับนักบีชนักปฏิบัติมีแค่นี้ก็ก็อยู่ได้นะ พราะบาสนี้จะสามารถหาอาหารได้นะแล้ว่ามีบาส ก, ก็เดินเข้าไปในบ้านหนึ่บ้านก็มีคนเขาใส่บาสให้มาทานที่อยู่อาศัยถ้าตา ม, มีตามเกิดถ้าไม่มีใครก็สร้างกุฏิให้อยู่ก็ก็อยู่ตามตามคนว่าอยู่ในตามถ้ำไปไม่สําคัญเท่ไหร่เพราะถ้าใจมัน มีสิ่งที่ดีในใจนะมันมันไม่ค่อยกังวลกับเรื่องความเป็นตายของร่างกายเท่าไหร่งั้นอย่าไปเสียดายถึงต่างๆที่เรายังยังรักยังเสนออยู่เลยพยายามพิจารณาความนิจกรรืเยอะๆความตายเยอะๆวันวันหนึ่งก็ต้องคิดออกไปันทุกวันเขาก็ต้องคิดเราไป อยู่ด้วยกันก็อยู่ด้วยแบบความห่วงความกงังวลความทุกข์จะอยู่ด้วยกันก็อยู่แบบไม่ห่วงไม่กังวลก็คือไม่ไม่ยึดไม่ติดป่อยให้เขาเป็นไปตามความจริงเขาจะเป็นอย่างไรก็ให้เขาเป็นไปแลแ้วจะอย่าไปหวังพึ่งเขาอย่าไปพึ่งเขาให้ความสุขกับเราให้พยายามสร้างความสุขที่มีอยู่ในตัวเราให้ได้ถ้ามีความสุขอันนี้แล้วเราปล่อยทุกอย่างได้น่ ถ้าเรายังไม่มีความสุขในทางสมายที่นี้เราก็ยังอยากหาความสุขทางตาห ง, างมจมูกหัวใจนั่นนันก็อยู่ตรงนี้อยู่ที่เราจะสร้างความสุขนี้ให้ได้ให้เกิดขึ้นได้หรือไม่ถ้ายังสร้างไม่ได้มันก็ยังต้องต่อสู้กันระวังความหลงที่จะคอยจุดล่างให้เราไปหาความสุข ท, ทางทางภายนอก จนก่าเราจะได้พบกับความสิ้นใจใน่สุดเพราะได้พบความสุขใจในใจนี้แล้วทีขข น, าา น, นี้มันจะไปเร็วละมันจะพุ่งไปอางนี้ละแต่ถ้ายังไม่ไม่ได้ความสิ้นใจนี้มันก็ยังไปไม่ได้ถึงไม่อยากจะไปก็ไปไม่ได้บางคนหวดหวดแล้วก็ไม่มีความสุขในในี่สุดก็ต้องเสีย ข, ของา น, นเพราะ ว, ว่าความอยากถึงแม้จะเป็นความอยากที่ดีอยากจะหวด อยากจะปฏิบัติธรรมแต่ถ้าไม่มีอาหารหล่อเลี้ยงจิตใจที่ให้อยู่กับเพศของนักบุญ น, นั้นก็อยู่ไม่ได้เพราะใจมันก็ยังถึงกับอาหารของคารวะอยู่ทรมานอยู่ไปทรมานไปครับระยะหนึ่งก็ทนไม่ไหวมันก็ต้องลาสิกขาลาพิษ แต่ถ้าได้พบกพับความสุขภายในใแล้วตรงนี้ถ้าเป็นนักบวชก็ก็อยู่ต่อไปถ้าเป็นฆร า, าวาสก็ก็บวชถึงจะบวชแบบไหนแค่นั้นเองคนบวชแบบคือเขาบวชกันก็คือคนื้อษะหุ่มเท้าเ ห, หรืออะไรผมว่าถามก็ได้เรื่องบวชแบบฆราวาสอยู่บ้านของเราแต่อยู่แบบนักบวชก็ได้ก็ไม่ต่างกัน ก็จะทํางานด้านภายในแล้วจะทําให้ความสงบนี้มีมากยิ่งขึ้นไปถ้ามีต่อเนื่องจะมีตลอดเวลาอันนี้แหละมันเป็นหน้าที่ของสติสมาธิและปัญญาที่จะช่วยกันทําให้มันมีแต่ความสงบมีแต่ความสุขภายในใจตลอดเวลาถ้ามีแตส่สติสมาธิมันก็จะได้ใจขณะที่ที่จิสตสงบอยู่สมาธิ พอออกจากสมาธิมาพอมันเห็นอะไรได้ยินอะไรมันก็จะกระเพื่อมขึ้นมาได้เพราะกิเลสยังไม่ได้ถูกทำลายกิเลสมั น, ม, นมันเกิดจากความหลงที่ยังยังไม่เห็นว่าสิ่งต่างที่กิเไปมีความรู้สึกนั้นมันมันไม่มีคุณไม่มีประโยชน์มันไม่เป็นความสุขมันไม่เคียน เราไม่สามารถบังคับควบคุมให้มันเป็นไปตามที่เราต้องการได้ตลอดไปพอ mm hmm. เห็นอย่างนี้แล้วมันก็จะไม่ mm hmm. ไ, มไม่ยินดีเมื mm ่ hmm. มันไม่ยินดีมันก็ไม่ยินลายต่า ง, างมันก็จะเฉยเฉยนะครับทุกทุ่อย่าอย่างนั้นแล้วต่อไปพอเห็นก็จะไม่กับเพื่อมพอได้ยินอะไรก็จะไม่กับเพื่อมก็จะสักแต่ว่ารู้เฉยเฉยแตกระเทื่ การจะปฏิบัติได้ดีไม่มีอะไรมาเป็นอุปสรรคก็เราต้องมีอยู่คนเดียวอยู่ที่สงบนะ<ม>ถ้าท่านมีอยู่ในที่ที่มีรูปเสียงกิรนที่มาลบคนใจเดี๋ยวถ้าตะบะัดแตกคนอื่นกินข้าเราไม่กินข้าวเนี่ยเดี๋ยวเราก็ห<ม>ิวขึ้นมาละคนอื่นปิดฟิตยวตังเปิดธรรมธาตดูเดี๋ยวเาก็อดอยากจะดูไม่ได้การปฏิบัติ ในบ้านและอในเพศของชาวว่าจึงยากมากยากกว่าการปฏิบัติในเพศของนักบวชนอกจากเป็นาราวว่าที่มีบ้านมีสามารถสร้างวัดของตนเองอยู่ในบ้านขอต่ตนทำบ้านของตนให้เป็นวัดได้อยู่คนเดียวในห้องไม่มีใครม า, รมรายุ่งเราถ้าพอจะทำได้ถ้าอยู่ในบ้านที่มีคนเยอะๆมีลูกมีหลานเต็มในหมองแน่ ปฏิบัติไม่ได้นบอย่างนั้นก็ต้องต้องออกหาที่ยู่ที่สงบซะแล้วแต่ว่าจะเป็นที่ไหนก็แล้วแต่ที่จะหาได้ต้องมีสถานที่ที่ดีที่สงบส ง, บสงบัดอเวยแล้วก็ออกมาแล้วก็ยังต้องคอยจารวงตาหูจมูกมือไก่อยากไปดูอย่าไปอย่าไปฟัง อะไรสนใจไปอยู่ป่าก็ได้ยินเสียงนกอาจจะชอบเสียงนกก็ไปนั่งฟังเสียงนกทั้งวไม่ภาวนานคะ <c oughs> ือเห็นปาไปเดินเที่ยวชมป่าอะไรนี้ก็ไม่ได้ก็ต้องสัญญานให้ให้ให้เข้าแต่ทางจงกลมให้นั่งแต่สมาธิในเวลาจำจำเป็นไม่ต้องทําผิดออกไปพบกกับสิ่ง น, นั้นสิ่ง น, นี้ อย่าไปอย่าไปดูนานิป็นคนไปดูแล้วีบเดินใจกลับมาเห็นคำนั้นเหน็นคำนี้ต้องรีบเดินใจกลับเข้ามาอย่างเ้าวัทุกเช้าต้องออกไปบินกระบามีใกล้สามืออยากไปดูบ้านนี้บ้านนี้คำนั้นคำนี้อยจารย น, น, <c oughs> นสำรวมเพราะเดี๋ยวมันมันพร้อมใเห็นอะไรเท่าแล้วเดี๋ยวมันจำได้พอระงัมาถึงว่ามันยังไม่ลืมนั่งคิดอยู่ทั้งวัน ยันงคิดก็ย่งยิ่ยิ่งทให้อยู่เฉยเบื่อภาวนาไม่ได้เดี๋ยวก็เดี๋ยวก็อยู่ไม่ได้แล้วก็ไม่ต้องให้คนมาเยี่ยมถ้าออกบวนแล้วอย่าให้คนมาเยี่ยมบ่อยนะเวลาเข้ามาเราจะดีใจได้เจอคนรู้จักได้คุยกัน้อย่างนี้พอเข้าไปแล้วเท่าหัวเหงา ไปคิดถึงว่าเดี๋ยเขาได้ไปเที่ยวกันเดเเี๋ยวเขาไปฉลองวันเกิดกันนะเราปล่อยเราปล่อยเราอยู่ในรัดคนเดียวถ้าไม่จําเป็นแนี้จะอยู่หา่างห่า ไ, ไกลๆที่ทําให้คนเขาไปเยี่ยมเราลาําบากถ้าปวดไหนี้ก็แล้วจะแนะนําให้อยู่ห่างไกลบ้านเนีอะอย่าไปอยู่ใกล้บ้านนี่หมายถึงทั่วที่ปวเียงเนีบไง แต่พวกที่บวชกามทำเลีน้นีก็ชอบอยู่ใกล้ๆมากพอแม่พอแม่จะได้ทําบุญพระก็จะได้เห็นโยมใจอยู่ทำบุนจะได้ไม่ทรามามากเป็นไปแต่เราบวชนี่เราหนีไปอยู่ดอนเลยแต่เราบวชก็ไม่บอกใครรู้กันแค่คนในบ้านสามสี่คนเอง ท really like ่านอจารย์โยมแม่หรือยี่งเลยครับไครั้งเดียวครั้งเดียวนอาจารย์บอกให้เม่ลุกไอาเปลนไตก็ไม่มีาไปก็ไม่มีประโยชน์ะไรก็ไปนั่งุงเี้วชั่วโงแต่งลกลับตอนมีเท่าไรก็เปลี่ยนต้นไม้มาได้ติดตาทางติดหมก็ได้แล้วอยู่ห้าปีไม่ติดต่อใครเลยก็มีบ้างบางรายที่เขา ตามหาเขาก็ถามไป น, น, นั่งถามนี้ ข, า, ขาก็ได้เขาเขาส่งเิดหมายมาอาจก็มีสองสามรายเท่านั้นเราไม่เคยไปติดต่อใครอยู่แต่ในว่ดจะอยู่ดด น, นี้ออกไปเข้าไปในเมืองโดอนไม่ไม่กี่ครั้งาำด้าไปกินไมว่วนอแค่คร้องามครั้งเทาน้มากดีแล้วไปหาหมอสักสองสามครัง้ง ถ้าเป็นไข้ตายเรื่องไป ห, หาจต้องไปหา ห, อหอ้อเราว่าให้สียา mm hmm. แต่คขาจริงมันเป็นเพราะว่าอากาศชื้นเมื่อเราไปอยู่นในในที่มันไม่มีอาการถ่ายเกแล้วเรามีมูทูลคุบการต่ัก็จะเป็นพัาทีืหนักเกินพอเราย้ายมาอยู่ตามที่ที่โล่งๆไม่มี ไม่ม้ต้นไม้กลุอมอยู่คืนสองคืนนั้ก็ดิ้นกลับไปเลยหายเพราะรู้ว่าอากาศชื้นมากๆก็ดีที่ถึงแม้จะเป็นร่มเย็นก็ดีถ้ามันต้องเป็นหน้าแรงถึงอย่างดีมันไ ม, ม่มันไม่มีความชื้นะที่ไหนที่ในต้นไม้ตัวคนเยอะๆแล้วเป็นหน้าฝ น, นเี่ยมันจะชื้มากท่านจะคัดกรรครับทีมูลหีุนตาท่านเป็นผู้กำหนดใครั้ว คือธรรมเนียมของว่าสามและสามท่านรับอยู่แล้วโดยพื้นพื้นนี่ไม่รับกลิ่นทั้งหมดยกเว้นกรนี้ที่หลวงตาเห็นว่าจําเป็นจริงๆแต่ก็จะไม่บอดที่จะให้พระไปถ้าหลวงตาไปเองได้ไม่ให้พระไปหลวงตาก็จะไปเองท่ามีอยู่กรณีหนึ่งเขาอยากจะมีนนมวลพระไปเก้ารูปเอามีมวลหลวงตาไปด้วยหลวงตาบอกว่าให้เลือกตามว่มากันว่า ถ้าเยาวพระก้าวลูกหลวงตาก็ไม่ไป่แต่ถ้ายาถ้าถ้าเลาหลวงตาไปพ่พระก้าวอื่นก็ไม่ทำใส่แล้วให้ไปหาให้ไ้หาพระันอื่นก็ได้ให้โพบก้าวก็ได้ท่านรักษาพระมากท่านไม่ต้องการให้พระออกไปรับดูลูกเสียงกิ่นมากท่าไม่เสียเวลาแลก็กระทบกระเทะือนกับจิตใจมาก แต่เราออกไปคือถ้าจิดใจไม่ดุจเสีนี้มันอห่อยมันนานมือนจับม่เราดูมานานเียดูให้เต็มที่แล้วพอกลับมาว้ก็เศร้าช่้อยหมห่อนเดิมแล้วที่ถึงท่าที่เห็นไฟเจ้าสมุนงได้อากจะหลายวันมันขาดคืนสันหลับแน่พาวนาแล้วมันขาดคืน ไม่ก็เลยไม่ได้ยังท่าที่ไปอยู่ที่นั่นส่วนใหญ่ก็เป็นนักปฏิบัติท้นเป็นพระภาวนาทานไม่อยากจะไม่มีขยกจะไปคือไปก็เพราะว่าจาจาเป็นครูบาอาจารย์สั่งให้ไปก็ไปแค่นี้แม้แต่ชาวบ้านก็จะทาบุญท่านก็บอกให้เขามาทาบุญที่วัดไม่ต้องนิ่งมุนพระแตบ้านาาบรงต่างเวลาท่มีงานศพทำไม่มีบนุนพระไปสาที่บ้านท่านไม่ให้ไป ให้มาทำมันดีครับอกจากไปไปเผาแนละ้วก็ยังให้ไปสื่กไปสวดมาดิกาแล้วก็ไปปรกชา้าไปไปเผา่งให้เวามเพอินพอดีเขาเลยติดเป็นิสัยมาและอย่างมันก็เป็นมันเป็นความ ร, รู้สึกของเราด้วย่าก่อนจ็บวนแล้ ว, ลวเวลาเราบวด น, นี้จะจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องจิตหลันี้ เรื่องสวดมนต์เรื่องอะไรท่างนี้แม้ก็ะทัเรื่องศึกษาเรียนรัก ท, ทํามโทเองนะที่นี่ก็ไม่เอาคนระับฉะนั้นขอขออย่างเดียวขอขอภาวนาอย่างนั้นก็เลยต้องหาวัดที่มีแต่การภาวนาก็โชคดีที่มีคนแนะนำให้มาทางไปทางพระวิหาจะมีพระปฏิบัติทางซ้ายเหมือนปู่มา่ เมื่อก่อนนั้นก็ไม่รู้จักเพราะเมื่อก่อนนั้นศึกษาแต่หนังสือที่ได้มาจากประเทศศรีลังกาเป็นภาษาอังกฤษเป็นหนังสือที่ทขาเขาเล่ามาจากพระไทรปิฎกพระสูตรต่าละที่สําคัญต่างๆก็ได้รู้แต่วิธีปฏิบัติจากพระไตรปิฎกที่จริงแต่ไม่รู้ว่า ม, มีกูบาจะามีพระปฏิบัติในประเทศไทยเพราะอยู่ที่ข้าข้าวสารน้อยก็ไม่มีไม่มีรักปฏิบัติ ก็แต่วัดที่เห็นๆก็เป็นวัดบ้านถึงวัดที่มีพิจีกรรมมีเมงมีงานเขาจบมีงานวัดเมื่อก่อนใไปว่านี้ไม่ได้ไปไกไปหาพระไปไปเที่ยวเขาไปไปงานวัดนงานประจําปีของวัดเขาจะมีลำมวยมีมีชาประยนต์มีร้านอาหารมีอะไรต่างๆแต่เขาระก็้าแบบนี้ ถ้าให้ไปบวชอยู่บ้านอะไรนั้ยก็ตาก็จะไปบวช ด, ดีกว่าอันดียดข้าวเงเงินนี้ชักก้อนนี้กคงอาจจะไม่ได้บวชเพราะว่าคิดบวงเพราะมันเงินหมดมันไม่มีข้าวกินพอ บ, บวชแล้วมันตัดปัญหาเรื่องตัดใจสื่อได้อันดีเราก็มีที่ปฏิบัตินะที่บ้านเราก็ปฏิบัติได้เพราะเราอยู่คนเดียว แต่เราไม่มีเงินที่จะจ่ายค่าใช้จายต่ า, าตงได้ประจัายสิเงี้ยได้ไนมคะเน่อย่างก็คงจะอยู่เนี้ไปไม่ไม่ได้นานหรอกเพราะเดี๋ยวพ่อแม่เขาคงจะต้องมาจัด ก, การแน่นอนจ <c oughs> <c oughs> าคงจะดูมราไปเรียกก่อน <c oughs> แต่พอเราแต่งสินใจอยู่เขาจะล่มกใจแต่กเออ เลยไปเอม า, งง า, า, ามือานการตรวจการัดใจตวจนียากเหมือนกันนะน่ทราบกันางหใจนี่มันพิเรนชอบเป็นตัวทามอชอบทำลทายตามอำเภอใจมันรู้ว่าพอตรวแล้วนี่มันจะทาอย่างขึ้นมาเกาะทาไม่ได้ก็เป็นนกก็รู้ว่าจะต้องถูกจับเข้ากรงนกมัอชอบดึงไปตามเรื่องของอน ถ้าต้องอยู่ในกรงนี้มันมันไม่อยากแต่ความจริงการบวนนี่มันก็ได้เข้าอยู่ในกรงทองนะ <c oughs> การบวนนี่ทุกอย่างพร้อมบริบูรณ์หมดสําหรับนักบวชแล้วการบวนนี่ดีที่สุดก็ู่ทั้งปัจจัยสี่นี้จะไม่มีปัญหาสถานที่ก็สงบสงบทุกคนที่อยู่ร่วมกันก็ไปในทางเดียวกันครูบาอาจารย์ก็ผ่านมา ก็สามารถช่วยชุดล่าเราไปช่วยกระต้นช่วยส่งเสริมให้เราได้ก้าวหน้าไปได้อย่างแน่นอนมาเห็นคุณตามที่ได้บวชนะผมก็เปิดเที่ยวว่าถ้าเราไม่ได้บวช้วอยู่แบบนั้นกับบวชนะอยู่แบบนั้นมันก็จะติดแหกอยู่เพราะมันจะไม่มีมันไม่มีเห็นอะไรที่ท้าทายมันก็จะทําไปตามตามความคิดของเราซึ่งสวยย่วนใหญ่มันก็ยังอยู่ภายใต้อำนาจของกิเลสอยู มันก็จะคอยหลอกล่อให้เราหลงติดอยู่กับการปฏิบัติแบบเดิมๆเราจะไม่ขยับก้าวนะแต่พอเราไปอยู่กับนักปฏิบัติด้วยการที่เขาเก้าวหน้ากับเราเนี่ยเราจะเห็นว่าโอ้เรามีอย่างสู้ของไม่ได้แต่จะอยู่บั่นตร์ตร์ใหม่ๆก็เห็นพระมาแล้วทหารใสมาแล้วทหารใสไอ้ทหารไปไหนเนี่ยไม่เป็นไปตุลาที่ไหนหรือพัดถางบอกถ้าไม่ได้ไปไหนละท่านอดอาหารกันเราไปใหม่ๆก็ไม่ได้อด พอเห็นเขาอดีบบ่อยก็ก็รู้าเราต้องอดเขาแหละนนก็แรียกว่าบุคคลสัพ ย, ยาะไงบุคคนที่เขามีความเพียรมากกว่าเราก็จะเด่นเรา <c oughs> ถ้าเราไปอยู่กั บ, บุคคที่มีความเพียรน้อกว่าเราเาะว่าหุดย่อลงถ้าไปอยู่ว่าที่เขามีเทวทัศน์มีหนังดูไงมีจิตมีมรรเนี่ยมันก็จะถูนเราไปทางไงํานั้น เวลาบวชเวลาหาว่าก็ตหาว่าวที่เป็นวัดจริงๆวัดที่เอื้อต่อการปฏิบแต่ไม่ใช่สักเจ้าเป็นวัดแล้วก็ใช้ได้ไม่ได้เพราะทั่วไปนี่มันมีวัดหลายหลายชนิดเรื่องกันเอาวัดที่เป็นวัดที่ส่งเสริมการภาวนาการงานภายนอกก็ไม่ค่อยมีหลวงตาท่านไม่ส่งเสรมิมมาให้ก่อมาให้สร้างถ้าจาเป็น จ, จะต้องต่อทั้งสร้างก็ เฉพาะเวลาทำเฉพาะเฉพาะทําป๊บๆให้เสร็จในเวลาอันจำกัดแล้วไม่ให้เลยเสร็จพอเวลาบ่ายแล้วก็ให้รีบเตรียมเก็บข้าวของให้ยไม่ให้ทำ็นข้านีดเพื่อจะได้ไปภาวนาต่อแ้วขณะที่ทำก็ให้มีสติไม่ให้คุยกันไม่ให้ หะของของคงของกินมากินกันท <c oughs> างออกของกิเลสมันจะมันจะอ้านวนะทํางานเหนืยแล้วเดี๋ยวหาหนุ่มมาดื่มหาเงนินมากินกันนะมีทุกอย่างก็เหมือนเดิมเหมือนกันแทนที่จะเดินจงกรมก็มามาทํางานแทนแต่ก็ยังมีสติเนกับเราทําเหมือนกับเราเดินจงกรมอยู่ต้นกิเลสมันเมื่อเริ่มบวชได้คิดหมครับว่าจะบวชต่อชีวิต ไม่ได้คิดอ่ะมันเพีงแต่คิดว่าจะไปเรื่อยๆดูหรือว่าทางที่เราจะไปไปถึงชีวิตเราไม่ค่อยได้ไม่อยากจะผูกมัดตัวเองเออไม่กล้าปุบเขาเปนพูดอย่างนั้นด้วยันเพราะเราเราไม่ทราบเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ใคเดียนไปศึกษาที่มุมนอกก็ไม่คิดว่าจะเรียนจบหรือไม่จบไปฝ่ายมันเรียนไปจบก็จบไม่จบก็ไม่จบ แต่ก็หลักสําคัญก็คือขอให้พยายามที่สุดตลอทไปทําทให้ดีที่สุดตลอดไปทีนีถ้ามันสุดที่ใจแั้วมันไปไม่ได้ก็อย่าไปเสียใจอย่างไปอะไรก็ยอมรับความจริงขอามันต่าไม่ได้ก็ทานั้ น, หนแหละเวลาปวดก็ไม่เคยคิดแต่มันมีวุบาคิดอยู่อย่างอย่างเงี้ยผมว่าถ้าบวดไปแล้วแล้วเกิดความความรู้สึกอยากจะเถิดขึ้นมาอย่างนี้ก็บอกว่า เรบวชมาได้กี่วันะนะสมมติเราบวชมาได้คิดยังไงว่าอยากจะเสร็จเราก็อยู่ตอนสักเจ็ดวันไปก็แล้วกันเพราะอย่างว่าเราก็อยู่มาได้เจ็ดวันอีกเจ็ดวันเราก็คงจะอยู่ได้คิดอย่างเงี <S <S <ๆ>้ยเป็นอีบางแตไม่เคยคิดนะอเรื่องไอเรื่อคิดจะบวชจะเสด็จเนี่ยมันไม่เคยคิดเลยมันไม่มีมันไม่เคยปรากฏแต่แต่ก็คิดเผื่อว่าอย่างนกันว่าถ้าเกิดคิดอยากจะเสด็จขึ้นมาจะต้องหาหาอบายแก้ห น, น่อยเงี้ย ถ้าบวชมาสามปีอยากจะเสกก็ต้องอยู่ต่อนสามปีเป็นข้าเจ้าเป็นถ้ า, า, ถ, าถ้าอยากจะเสรกก็ต้องอยู่ต่อยสามปีแล้วพออยู่ถึงสามปีแล้วถ้ามันอยู่ได้ก็อยู่ต่อนหกปีอยู่มาได้หกปีแต่อย่างนี้เราไม่เสรกอะแต่ความจริงมันจะเสร็จไม่เส็กมันไม่ได้อยู่ที่ตรงนี้มันอยู่ที่ว่าเราปฏิบัติอย่างไร ถ้าเราปฏิบัติมีสติก็จินใจของเราให้สำรวมสำรวมอยู่ภายในไม่ให้ส่งออกไปทางทางรูปสิ่งกิริยามัไม่ให้ส่งไปทางเรื่องอดีตเรื่องอนาคตมันไม่คนนั้นไม่มทางเด็ดขาถ้ามันอยู่ในปัจจุบันนะมันมัน ไ, ไม่มีอะไรที่จะทําให้มันต้องบแต่ถ้ามันไม่มีสติแล้วมันคิดเรื่อยเกิดไปมันมันจะเกิดอย่างหล้งตาท่านเคยเล่าว่าท่านจะภาวนาที่ไหน อยู่แล้วมีบ้านอยู่บ้านเขาเขามีงานกันร้องรำทาเพลงใจขอยงท่า น, นก็นั่งเข้าแล้วก็บนก่นหับตัวเองว่าเราไมาน่นั่งทํำนี้ทำนั้นเขากําลังมีทวามสุขกันแต่ท่านก็มีสติขึ้นมาสติว่าสิ่งที่ก็ทําันมันเยมือนกขุดขุดดินขุดหลุมฝังตัวเขาเองแไอิ่งที่เรากําลังทําอย่างนี้กําลังที่จะปลดเปลื้องความทุกข์ให้เราให้หมดไปเราถ้าป็นถึงมาคิดอย่างนี้ท่านก็ได้สติเตือนตอนไนั้ บางทีพาไปภาวนานอยู่แล้วบางทีช่วงเทศกาลชาวบ้านของทามีงานกันก็เกิดเคื่อนไปห้เสียงดังลั่นไปทั่วทววน่อยบาีนัภาวานานไปก็ได้ยินเสียงนันตาตกไงเนี่งนี้ไ่มีเครับทางนี้ไม่ได้มีเมื่อนานก็มีทีนานก็เสียงอย่างนี้น คือเขาช่วงช่วงที่งานหือดหน้าเนี่ยขาจะชอบเ<ไ>ปิดเ<ไ>ปิดเขาจัดงานไปนะครับปอดเพื่อขยายเสียงกล้องนี่ยนะท่านพระจันสันบอกพระลูกวัดท่า น, มานเมื่อเมื่อสื่ห้ามันตอบว<ช>่าท่า น, นบรรบุผลนิมนต์นนนที่ชนบุนีไงเราทวกพระที่เขาอยู่ขออนุญาตม า, า, านะแต่ตัวท่านเองไม่ได้มาท่านแยกรับ ข้ามีพระมีพระฝลังอยูร่วมท่านบอกท่านบอได้สิบหกพสามเรื่องคุยธรรมะกับท่านสอนท่านเรื่องสติเรืสมาธิเรื่องตาณยัไม่เจอท่านตามต่างเลย ถ่ามีาอนุญาตมาจัดเต็มรถวอ่อาจาย์คะท่าบอกว่าผู้ชายการเข้าในหัวข้อสนานดีที่สุดและผู้หญิงระคะหัวใวิทยาศาสตร์ดีด้วยแตยังไม่ที่ไหนที่ไม่ค่อยู้เหมือนกัน คุณแม่แก้วท่ากจะหาได้ทำไมเราจะหาไม่ได้เรายังไม่อยากจะหาเลยไปถึงวงนอกวงนายนาไปได้ราว่าปฏิบัติไม่ได้รู้ไปเนี่ยนี่คนแรกที่ปฏิบัติ ก็วัดของท่านอาจารย์ที่เรามีจักเขาแล้วก็มีนะท่านอาจารย์เคยว่าท่านอาจารย์อินทวายว่าใครไม่กล้าใครมากแค่นั้นแหะสน่งแต่ว่าเราอาจจะต้องใช้เวลาทําความรู้จักกับท่านทําความรู้จักกับเราเท่านั้นเองพอท่านรู้ว่าเราไมุ่งมั่นเราตั้งใจจริงๆท่านก็จะส่งใจริมเราเองท่านจะช่วยเรานแต่หม่ๆเราก็ต้องไปไปทําความรู้จักไปบ่อยๆไปแล้วก็ ให้ท่านทดสอบติดกจนะครับว่าเราว่านอนสอน ง, ง่ายหรือเปล่าว่าเราเป็นคนดื้อรั้นถ้าจะอยู่ขับดื้อรั้นก็ยากหน่อยถ้าเป็นคนว่าเราสอน ง, ง่ายก็ง่ายเนี่ยคล็ดลับอยู่ตรงนี้อยากจะไปอยู่ตำแหน่งไหนขอให้เป็นคนว่านอนสอ ง, ง่ายเป็นคนเข้ากับคนที่อยู่ในนั้นได้เดี๋ยวไปมีปัญหากับใคร อยอมล็อกสภาพเขาจะให้เราอยู่ตรงไห น, นทําอะไรก็ล็อไปก่อนทำไปก่ออย่าบนาวนแล้วจี้จี้สิกจิกขอหนี้ขอนีอ้ใช่ไหม น, นะมันเป็นเราเป็นคนส ร, ร้างปัญหาขึ้นมาเองถ้าเราไปแบบนับน้อยสังดมยินดีตามดีตามเกิดแล้วจัดอะไรให้เราอยู่ตรงไห น, นให้อยู่แบบไหนคให้ยากที่จะต้องทำอะไรทำไม่เหนืยวบอ่าอะไรงไปก็ทํากันดีไป ต่อไปมันก็ได้ของดีตอนนั้เนเจะโยนเของไม่ดีให้เราก่อนอพอพอเขารู้ว่าเราดีแล้วเขาก็จะมีแต่ของดีสะเทือนให้รใหนร่คือเราจะต้องพรอนั่นแนหะถ้าเราพรอนี่นเดี๋ยวเราก็ออกหาได้แต่ยังยังไม่มีอินทรีย์ที่แก้ก้าวพอ สัทธาสติสมาธิปริยะปัญญายังไม่ใจกล้าพอถ้ามันใจกล้าพอตัวนี้แหละจะเป็นตัวที่จะถักเราไปเลยดังนั้นตอนนี้พยายามสร้างให้มันให้มันจะเรีมมนาานเยนมากขึ้นให้มีสัทธามากขึ้นให้มีความทั้งเพลี่ยนมากขึ้นให้มีสติมากขึ้นมีสมาธิมากขึ้นมีปัญญามากขึ้นพอมาถึงจุดที่เหมือนรถที่มันสตาร์ตติดแล้วทีนี้มันไปลงมาแล้วอะตอนนี้สตาร์ตรถที่ใด ย, ยังไม่ติด สตาร์แล้วดับสตาร์แล้วดับถ้าเราไม่ให้เวลากับมันใช่ไหมเรายังให้เวลาทุกเรื่องอย่ถ้าจะให้สตาร์ติแล้วไม่ดับอย่างนี้ก็ต้องแบว่าต้องเสียงินอย่างอ่นให้หมดเลยสมมติตอนนี้เรามีเงินเท่าไหร่เราจากงานเลยแล้วแช้เงินก้อนที่ให้เราหดับการปฏิบัติไปเลย เราก็คิดอย่างนั้นตอนต้นแล้วก็ลองเงนินก้อนนี้เราจะใช้เงินก้อนนี้ให้หมดไปกับการปฏิบัติถ้าหมดแล้วถึงเวลานั้นดูว่ามันมันติดหรือไม่เครื่องวัดเครื่องเครื่องร้อนหรือยังเครื่องเราติดหรือยังหรือยังติดยังดับอยู่ถ้าติดดับติดดับอยู่ก็คงจะต้องกลับมาทํางานทําหม่ก่อนหอไปเรียนต่อก็แล้แต่ตอนนั้นก็คิดอยู่สองทางถ้าไม่กลับมาทํางานใหม่้็คงจะไปเรียนต่อ แต่พอดีมันติดเครื่องมันติดมันไม่ได้ตมันก็ขไยต่อเลยก็ไม่บวชเลยบอก็ปีนั้นก็บวดได้อยู่ตรงนี้ฮะอยู่ที่เราสร้างสร้างอินซีนี้ให้มันแก่กล้าขึ้นมาให้มันเป็นพระขึ้นมาอินซีห้าแต่พระห้านี่ก็ตัวเดียวกันต่างกันที่ว่าอินซีนี้มันยังอ่อนส่วนพระนี่มันแข็งอล้วันมีกําลังมันทำไตของมันได้แล้วเป็นรถที่รถ เป็นเครื่องอยนต์ที่ติดนะติดแล้วไม่ดับนะนั้นก็ต้องศึกษาธังเทศกรรมให้มากแล้วก็นำนำไปปฏิบัติเจริญสติให้มากเรื่องทานก็ทำไปตามฐานะของเราไมปทำตามคนอื่นเขาเขามีมากก็ฝอยและทำมากไป ถ้าเรามีน้อยหมือเราไม่มีอะไรก็ไม่ต้องทําก็ได้ถ้าเรายังมีความกระเสียนที่มีต้องเก็บมันก็นี่ไม่เพื่อสนับสนุนในการปฏิบัติก็เปกยบได้เถอะไม่ต้องไปทําทางเราไม่เคยทําทางเลยในตอนสมวยในคารวะไม่เคยใส่บาตรทานเลยไม่เคยเข้าวัดเลยตอนั้นไม่รู้จักวัดรู้จักแต่ธรรมะรู้จักการให้สื่เราก็ไม่ได้คิดเรื่องทําทานเลยเพราะมั้นไม่มีอ่ะมันมีแค่แค่นี้ไว้ทำอย่างเรื่องปางเรื่องทองเราเท่านั้น เราก็ไม่เคยคิดยึดว่าเราไม่ได้ทำทานเหมือนเราจะเป็นเพราะเรารู้ว่าเมื่อก่อนเราเวลาเรามีเราก็ยินดีช่วยเหลือคนที่เขาเดือดร้อนเห็นใครที่เขาเดือนะดร้อนเรานก็ยินดีช่วยอย่ายงใครต้อห้บาทสิบาทหรือใครเขาต้องการอะไรก็จะให้กันได้แล้วไม่เคยหวงเราก็รู้ว่าเรามีทางอยู่ในใจนะเราไม่หวงเราไม่ยึดไม่ติดเราไม่มีสมบัติอะไรบ้างแล้วก็มีแต่เสื้อผ้าไม่กี่ชุดเท่นั้นเองคืจะเป็นสมบัติของเราในตอนนี้ เราก็เลยไม่กังวลเกี่ยวเรื่องการให้ทานลิ้นมันก็มีในใจมันไม่กล้าทาําบาปไม่กล้ า, ารักขโมยไม่กล้าทําทําก้าสับตัดชีวิตเดยไปทุบเปิดมดแดงเราไม่กล้าทํำมันรู้สึกว่าเราทำมันไม่สบายใจมันก็ไม่ทําหมืนกันแล้วเราก็มีหน้าที่อย่างเดียวคือภาวนาเจริญสติพายานทางจิตให้สงบให้ว่างแล้วก็พยายามตัาาม้งจน้ำให้มีความรู้ เรื่องกายล้วครมาพอนนั้นรู้ว่าเข้ามันก็รู้ว่าทุกอย่างไม่มีความหมายเลยสิ่งที่เราไปชอบไปยินดีดกันนั้นวันมันเเป็นยาเสพตุกต้องต้องมีมันแต่มีมันลนะมันก็ไม่ได้ทําให้เราดีกับเองคือคนที่ไม่ไม่ติดยาจะดีกว่าเขาไม่ติดยาเวลาเขาไม่มีเสษเขาก็ไม่เดือดร้อนแต่เวลาเราเิพแล้วเราไม่มีเราไม่ได้เสพเราก็เดือดร้อนเราทุกข์ อะไรต่างกันหมดดูถึงจิ๋นรถแตกต่งไปเที่ยวของไปหาความสุขทางตาหรือจะหนุนงใจต่างกั น, ก น, นไปตอนวันอยากจะออกก็คงใจไว้นั่งสมาธิเดินยงคงใจเป็นอย่างที่สมันก็มันก็ฝันฟันตามมได้เหมือนกับคนที่ไม่จิดย า, นะาแล้วการแกรจะสบา ตอนที่ติดเหล้าติ ด, ดวิญญาณนี่ลำบากต้องต้องเดืยอยู่เลื่ยต้องสูบ อ, อยู่อยคนที่ไม่ติดรอดสบายถุกกาพก็ดีไม่ต้องเสียเวลาไม่ต้องเสียเงินเสียทอง น, นะที่พูดเรื่องทาง น, นี้ก็หมายความว่าถ้าเราไม่มีไมไ ม, ไ ม, ไ ม, ไมีเลย เราก็ต้องเก็บมาไว้ในคนที่เราจําเป็นเรงเก็บไว้แต่ถ้ามันมีเหลือเกินความจำเป็นก็ไปทำเสียแต่อย่าไปทำ เ, <Yeah. S 1> เ, เทผู้หวังสวรรค์หรืออะไรเลยเราทําเพื่อที่จะถดเสรื่องความถูกพันในวัตถุเข้าของเงินทางเท่านั้นอีอไม่หวังขึ้นตาอาใสายเงินทางให้ความสุดของเรงแต่อาใส่เงินทางไว้สําหรับดูแลอัตภาพสร้างการเพื่อสนับสนุนในการปฏิบัติธรรมเท่านั้น ระน้าที่หลักของเราก็สติทําแต่เวลาสติเตินขึ้นมาก็มีสติเติมถึงเวลาหนักก็คอยดึงใจไว้ถือัจไว้ให้อยู่กับกรรมฐานอยู่กับกายก็ไดอยู่กับอนานาปานสติก็ได้อยู่กับกุฏิอยู่ก็ได้อยู่สมาการสามสิบสองก็ได้อยู่กับใจ น, นักกะแล้วแต่เราจะถณัเลือกทาทําให้มันนิ่งให้มันสงบเป็นสมาธิ พอมันนิ่งมันสงบแล้วก็ก็อยมีความสุขจะสบายใจพอออกจากรสมาธิก็อย่าป่อให้มันคิดเลื่อยเจะเกิดความทุกข์ขึ้นมาก็เดานเขก็มาเจริญปัญญามันเจรนิจังทุกธังวะนักตาพิจณากระดับจิตใต้เนี่ยทำนี้ไปตลอดการย่าสมาธิไปแล้วมันก็จะก้าวไปจนในที่สุดมันก็จะผ่านร่างกายแต่นะพอผ่านร่างกายแล้วมันก็เข้าไปชีวิตทที่ปยูนขึ้นไปล้วทุกนามรัง ไม่ทำงานสัญญาถัข ง, ายยาางขาไมญญียาไม่ทนงาสัญญาถังขาไม่ญียเข้าไปแล้วเข้าไปจิตต่วนีรพอถึงตัวจิตก็จะเปเจอตัววิชออาพอผ่านวิชาไปได้มันก็จบก็ดเนี่ยแผนที่ทางเดินของการปฏิ บ, บัตมันเข้าไปข้างหร่ลึกเข้าไปเรื่อย จากลูปเสียงกิตวิสนทธะจากทรัพย์สมบั iter, ติทรัพย์ของเงินทองจากราบยกแ่วงสรรพก็เข้ามาสิบกายจากกายก็เข้าไปสืบเรื่องสัญญาสัญญาังกายทั้งใจจากนั้นก็เข้าไปสืบจิตจิตเลยมันจะถูกต่อนเข้าไปเรื่อยๆถูกผักไล่เข้าไปเรื่อยๆถ้าที่เล่มันเร็แรงมันก็จะผักใจให้ออกมาทำหน้าที่เทนา นำมาขานออกมาสื่อกายออกมาสื่อฤกษ์ถึงถึงนัดออกมัสื่อลาบเยอะแต่ก็ถึงถ้าธรรมะมีกำลังก็จะผักกิเลเข้าไปนี่คือการต่อตู้ของสองฝ่าระหว่างธรรมกับกิเลสถ้าทำมากมันก็จะเข้าข้างงานถ้ากิเลสมากมันก็จะออกมาเวลาหลวงาเดินตรวจวันนี้แ็นท้าออกมาทำาี้ทานี่ท่านรู้ว่ากิเลสมันออกมานะ้วัเข้ามา มานก็จะขนาบไล่คอยไล่ให้เขา้าเข้าทางจงกลมให้เข้าไปนั่งสมาธิถ้ามีเวลาเห็นการที่ต้องรีบกระจรบทางนั้นแหละนะถ้าอยู่วัดก็ไปนั่งคุยกันอย่างนเงี้ยมันก็ัสดงว่าที่เรศเรามาทางทางป่า ถ้าทํำนล้วก็ต้องติดวิเวกแหละคือเขาเดินเดินจนคมที่ไหนละ่ะเขาจะไปนั่งธนารพิยิ่งเงินไหนธรามะมันเป็นอย่างนี้นนตอ น, น, นที่ผานมาแล้วเขาจะรู้ว่าคนที่ทําคนนี้กําลังปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติกุลิยาการสถานที่ที่ตอนอยู่นั่นมันก็บอกอยู่เรื่องนี้มันเป็นธรรมแลเป็นกิเลสแล้วแต่ยังไงวาดนี้มันก็บอกก็ดีอย่างถ้ามีครูบาอาจารย์นี้ก็จะช่วยเราได้มาก แต่เราต้องเคารพท่านต้องเชื่อฝังท่านไม่ต้องกลัวท่านท่านจะช่วยเราได้มากแต่ยังกลัวแบบจนไม่มีสติสตานอย่างนั้นก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันพอเห็นท่านเวลาก็สั่นเลยทั้งตัวเชื่อท่านท่านด่าแล้วท่านหน้าเรานี้ท่านท่านช่วยเราคือ เราดเราไม่ชอบด่าตัวเราเองเราไม่ชอบท้าตัวเราเองเราต้องให้ท่าเพื่อห้าเพื่อด่ากราคนอื่นด่ดนเราไม่ได้มีคนเดียวที่ดา่าเราได้คือคูบาการ์เนียแต่ถ้าไม่มีการยองเกรงแล้วมันก็ท่านก็ไม่มีประโยชน์กับเราท่านว่ า, วาวววเราไงท่านห้ามเราไงเราก็ไม่ฟังท่านอยู่กับท่านก็เียอยู่แบบท่าพีในนอกแก๊โ ง, โ ง, โ ง, โง นการเตือนนะครับเือนกับนายจุนะเนยที่พระเจ้าทรงจับสอนที่เป็นคนอะไรคนเลี้ยงมาเยนี่ยทางนั้นนะางนันนะานั้นท่พระเจ้าบอกว่าคนนี้ไม่ต้องไปสอนสอาก็ปฟเรอ้อันนี้มันได้ขนาดเราอยังมันมันยังไม่ให้ฟังแล้วพวกโอ้โหไนรับวได้เขาไม่ฟังเนี่ ัน ก, การถามกล่อยวัดปล่อยให้ไปทานยะถากรรมที่เบียว่าในชันน่ะพอได้ยินก็ร้องไห้เลยเนะแต่เ้าก็ทำทาใจไม่ได้มล้มีม่ิจิตมากมันต้องเป็นคนอ่นอนแผ่นนอสแผ่นตนว่านอสนสหน้ามีสัมมาคารวานี่เป็นพุติธรรมพื้นฐานของนักศึกษานักเรียน อย่าอดเก่งเพื่อฟัาางครูบาอาจารย์ถึแม้ว่าเรายังจะไม่เข้าใจก็ฟังไว้ก่อนแล้วกันทาตามไปก่อนอย่าไปอย่าไปอย่าไปาาาถ้าท่านไม่ไดีจึงท่านไม่มาเป็นครูบาอาจารย์เละถ้าท่านไม่ไดีจริงอย่างี ถ้าเรารู้จริงเห็จริงเราก็ไม่ต้องมีภูมิถ้าเราเก่งจริงเราก็ต้องอยู่คนเดียวได้อย่างพระพุทธเจ้าไม่ต้องมีภูมิไม่มีะไรกันแต่ก็อย่าเไปเก่งแบบนั้นนะเพราะคนไหนก็เก่งแบบเหมือนกันบุญไม่กี่วันก็ไม่ก็ไปตั้งสำนักพิณเจ้าว่าสขึ้นแล้วก็ไปทําอะไรที่นักต่ที่ทําให้คนเขาต้องมา มาเราวิภาควิจารณ์กันก็ม mm ีพระบางรูปที่หลวงนำจะไม่ศึกษาเราครูบาอาจารย์ก็ไม่แตว่าจะเก่นหรืบาอาจารย์ไม่สามารถรับคำสัอนทำได้เกิจะติดไปอยู่ตามน้ำทังตัวเองแล้วพออยู่ไปนางานก็กลายเป็นเจ้าวาดเจ้าสำนักขึ้นมามีชื่อเสียงเด่นดัง แล้วต่อไปก็ ท, ำทํำวิบัติคือพอคือตอนนี้อาจจะมีความรู้ความสามารถในระดับหนแต่มันไม่รอบครอบมันไม่ขนาด ม, มันไม่ทานเกล็ดพยดง่ายๆพอยิ่งใหญ่ยิ่งโตยิ่งเจริญยิ่งมีงคนกลาวบ้านมีตามสามารยิ่งหลงในตัวเองขึ้นอย่ที่ว่าทำไรก็ได้ยกตัวเองออกจากทำวิไนได้ยกเว้นได้พูด <laughs> แล้วก็เกิดประกฏเป็นเรื่องที่เป็นข่าวเป็นต่างก็อย่างนี้คแต่พวกที่ศึกษาปฏิบัติกับครูบ า, า อ, า, อบาจารย์หรือการวยครูบาอาจารย์ไม่แคงหน้าครูบาอาจารย์อนย่างท่านจะท่านจ ะ, นจะไปดึงตลอดอย่างหลวงปูม่านท่านก็เคยแสดงนิมนะินมืนท่านจะเห็น น, นิมิตว่ามีพระองค์พระเด เดินเดินแสงหน้าแต่งตาท่านอะไรเนี่ยท่านจะพูดนตเชิเงคำหลักท่านนย่งนี่ไปอย่ไ ป, อยไปแตงหน้าแตงตาคุบาอาจาร์ถ้าโดยทำนามดับกาตาาร า, ามดับภาษาลิศโศคุบาอาจารย์สายนี้ท่านจะไม่ไม่ไม่แตงหน้าแต่งตาต้องเปี่ยนสัยที่คุบาอาจารย์ที่มีอายุมากอยู่คุบาอาจารย์ที่อมภาษาลานกาท่านจะไม่เ เขามาแสดงตนให้เราจะต่อให้ญาติโยมไปกล่าวว่าถ้าไปกล่าวก็จให้ถ้ารื่องโยมไปรับหมดไปรัแล้ท่านขึ้นมาต่อไปถ้าอยหาตเริมรับแขกรับคนถ้านไม่มีความผียกับญาติโยมถ้าไม่มีความผิวกับราบกางละต่างกบทางการรับแขกเยอะย่อย่เยง่ไม่มีความหมายกับจิตใจของท่าน ติตใาไม่ไดอิ่มสบายนะยิ่งไม่มีใครมารบกวนยิง่งสบายแต่พวกที่อยากจะเด่นอยากจะดังเนี้ตรงนี้เขาจะเขาจ ะ, เ, ะาเหมือนพู่เลยเนี่ยบ่ไแล้วีะตีโอ้ดังเสมหอนะถ้าเด่นมันก็เหมือนพู่แล้วก็ดับ อุ๊ยไม่เอาโอ้โห อันนีังเรื่อยๆเป็นไครับคันนี้เราไม่ถามไร่ต้องกัลอนี้จังเอยคนจะตไวเลนะมนื่อแล้วก็ไม่จังรามอนนี้เแล้วมันมันคิดถึงแตงค่อยๆะอากใัไเรื่อยวอันนีจังไม่ดเลยน ถ้าเราอยากจะให้เิด็จัญญาจะขยายความวาอนิจจังไรออะไรบ้างที่เป็นอนิจังพราะอนงไของเราในยังไงมันนั้นยังไงตอนนี้ถึงน้นถึง น, น, นานที่เราทำเมื่ อ, อกันนู่อยาีั น, นอนิจจังา่ <c oughs> <c oughs> เป็นยังไงกัเป็นดอ้บนเปล่าโดนค่ะแล้วก็คนออกจากงานกันเยอะเด็กทีออกจากงานกันด้วยเจ้ค่ะอันนี้ร้ารที่ที่ปลุ่นขังมาถวายเค่ะจะช้เป็นมื่อกิ้เป็นโอกาสก็ได้นะค่ะโอกคงาอก็ดีาจะได้มีงานฏิบบนี้ไม่โดนอย่มาทุกขกับเจ้าคนี่นะอย่ามาทุกข ออแล้วจ <t> ้ปทานแล้วรส่ไก็เราก็ต้องไปตามตาม่คือทางของเขาเราก็ส่งบุญส่งกุศลไปให้เขาเพื่อเขารอส่วนใหญ่ของวุญก็้ปัสยพิบังิ มาคนถามว่าฝันถึงหรืปล่าเป็นไรเพราะว่าไม่มมาป็นไงฝันถึงก็อาจจะเป็นเพราะว่าหนึ่งแล้วอาจจะมีความผูกพันอย่าต้องว่าแล้วถ้าไม่ฝันถึงะน <c oughs> คะคะเแสองว่าเราก็คงจะไม่ได้ปล่อยวางเวลาปล่อยให้เป็นไปตามการกันเพราะรูกไม่ฝันถึงเลยอ่าเันไป้็ไปเลยอีกหนึ่งถ้งาฝันถึงก็เขาอาจจะเข้ามาหาเราก็ได้อย่างที่หลวงปู่มั่นเข้าเข้าไปในสมาธิของคุณแม่แก้ว มันก็เป็นเรื่องขอย่างเราคิดถึงเขาเราสนใจเราเราคิดถึงเขาใจปรงแต่งขึ้นมาเองหรือเขาคิดถึงเราเขาเขส่งแต่สิทธิ์เขามาหาเราแต่แต่ยังไงมันก็มันก็อนิจจังเหมือนกันมาแล้วก็เขาก็ต้องปล่อยเพราะต่างคนต่างอยู่ในในสภาพที่ต่างกันไปนะจะอยู่ร่วมกันเหมือนเมื่อ่อนนี้ก็ไม่ได้นะเราก็ลองยอมรับความจริงในนี้ แล้วก็เอาความจริงที่อยู่ในปัจจุบันของเราเป็นหลักขลงเราเตอนนี้เราเป็นอะไรมีอะไรแล้วก็อยู่ของเราในการตามหลักศ ร, ร, ร, รัทธากามสภาพของเราอย่าไปอยากมันเป็นเหมือนแมดียวาไปกวลเรื่องนะไรค่ะบอกที่พีของเอาตอนนี้ว่างแล้วสิไปวัดได้แลสิอยู่ไ huh. รที่เลจะสร้างวัดต้ีตานะไม่ใว่างแล้วี่จะไปเที่ยวได้สบายแล้ เป็นยังไงช่วงนี้โรคยังภาวนาค่าแต่รู้สึกว่าติดโลกมากเนนิดนึงอ่ะค่ะืองานเงินเข้ามาแล้วก็ช่วงนี้มีความสุขอยู่ว่าเราจิตเราจะคอยอยากเปลี่ยน คนนู้นคนนี้สิ่งนันสิ่งนี้แต่รู้สึกว่าว่าเราเน้นก็ก็คือแตกจากเมื่อก่อนงที่ว่าพอเริ่มรู้สึกว่าเออจิตมันจะไปเหยียดเบียนเขาก็รู้สึกว่าอ่อนี่จิตกำลังจะไปเบียบเบียนเขามันก็ถอยกลับมาแต่ว่ามันก็ยังมีอ่ะค่ะต้พยายามดึงจิตเข้ามาทำมาให้เบียดเบียนให้ดีกว่าเรามาทำดีเลิศทางให้เขกัน แต่ว่านั่งนั่งเราสงบขึ้นดีกว่าสมัยก่อนมีมีนพยายามรักษาไว้เนอะเพถ้าเราประมาณเราทีดว่เราทําได้ทำเมื่อไหร่ก็ได้มันไม่เป็นอย่างนั้นพอทิ้งไปใช้ระย่าะเราจะกลับมาทำไหนี่หมือนเหมือนกลับไปเริ่มก่อการอย่างนี้แล้วจะไม่มีกําลังใจที่จะทำแต่ถ้าเราพยายามรักษาสภาพที่เรามีอยู่ให้มันคงไว้ได้มันก็จะ จะไม่ไม่ไม่เหนือยวที่เราอยากจะทำเพื่อนี้ก็ทำต่อได้เคยทำได้เท่านรไปมีล้มบ้างเท้าังก็ทำไปรักษาไว้วเรื่องถามเพื่อนถาโกงไปได้หนึ่คั้ด้ยค อาจารย์เอายังหนูพอดีตอนที่ไปสวนแสนครรมช่ไแล้วก็เขาเาแจกทานไอติมแล้วหนูก็เอาไอติมใส่ถ้วยที่สวนแสงธรรมกลับมาทานที่ออฟฟิศแล้วพอมาแล้วยังไม่ได้ทานเอาไปคืนใ่ไมมันหายไปก่อน ก็หนูก็เลยจะซื้อไปคืนที่สวนชางทางหรือว่าจะเอาไปที่บ้านตาใช่ถ้วยถ้วยใส่จริงเจ้าถวายประายไปที่สวนางทาก็ได้ใช่นี่สวงปู่แลัไม่จาเป็นจะต้องเป็นการต่อฟันตาต่อตาเถวายปยที่มันมีท่ามากกว่านนทกละาทําปาติกรรม บืงทีคนไปวัดแล้วไปเอาของวัดมาเนเขาไม่สบายใจเขาก็เปก็ก็เอาเงินไปถวายพระแล้วเขาเรียกว่าเป็นการทำพิธีกรรมแต่งนี้ลูกสามารถถวายองค์หลวงตาท่านได้ใช่ไหมครับเพราะว่าไปที่ส่วนถ่ายทำท่านน่้องหลวงตาท่านก็เป็นก็เป็นผู้ดูแลศิลปกรรมอยู่แล้วทุกอย่างถ้าฐานเหลืออะไรก็หวงตาก็เป็นผู้ที่จัดการอยู่แล้วไม่เนไม่เป็นกันนะ เรื่องเรื่อไม่เอี่ยวกันเรื่องใหญ่โตโนจดาี๋ยวก็ไม่จะไม่กล้าทำไป็น้อมาม่ใจบอกไปเรื่องความคิดใช่ไหมาความคิดเขาว่ามันต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้ คือบาทีคิดว่าเอาสิ่ น, นี้ตายต้อสิ่งนี้คืนมาให้ใหเลยเหมือนกันเท่าเลยมแค่ความคิด<พ>คือถ้าทําได้ก็ดีอ่ะแต่ถ้ามันทําไม่ได้ก็เรามันก็เอาเอาค่าของมันเป็นตัวตัววัดก็ได้ว่าหนึ่งค่าหนึค่าท่าไหร่เราก็เอาเอนเงินหลายทางกันไปกาได้ พู่ก็จะอันเดอร์กระทำปูก็ให้ลูกมาทำจได้ ใ, ใครกามาทำ ด, ดเดูดิจันให้กันก็ได้สมว่าผมว่าทำเงินของคนที่ก็าฝากทาบุญหา ย, ยแต่จำได้ว่า200สองร้อยกว่บาทแต่ก็ไม่ได้ใจก็เลยทำาี่มนมาก<ช>มขึน้นแต่กเยอะๆกนแล้วกัน่นี้ ปิดใจเราจะได้แบบเพาะว่าเออไม่ไม่ไม่กังวลจริงๆอาเอาไปขมูในวีดีโอ่ากันได้มูลอรแบบนี้ต้องจาไรองนี้เนี่ยเขาจะมีคืนที่วัด่า้นตาได้ไหมคะก็ก็ไม่ได้ไปที่สวนแสงธรรมแล้วก็คืนก็ได้เหมอนกัเพราะก็คือวัดที่ถึงตาติดใจนค่ะฝากคุณจายฟังกันนะให้คุณายฟังะหอว่าขอถ สำหรับค่าใช้จ่ายที่สฉงีแต่งทำเพราะบัญชากำลังมีคนดูแลใชาจ่ายนะครับบญชาะต้องไปดูต้องระจ่ายเงินเดือนคนที่คนที่ดูแลรักษาค่าก็มีค่าค้างค่าค่าอะไรเงินเดือนเงินเดือนคนที่เข้าด้านเงนเดือนคนที่ทำสถานพี่ี่คนเก่ก็เป็นคน เจอบุณชายฟังก็สั่งฆ่าคุณชายฟังแต่ก็บอกแกก็ว่าเอาเค่อยของคุณชายทการแล้วมันหายไปอะไรเพราะว่าการทำพฤติกรรมทันแล้วถ้าเราติดใจแล้หายกังวลกับสิ่งเหล่านั้นก็คือว่าจบแล้วนี่ตาจ่านเมื่ออธิบายเกี่ยวกับเรื่องครบครมวใช่ไ ล, ลูกมีความเข้าใจว่านูจะเคยฟังอาจารย์ทูกสอนว่าเอมีพบเอกสานกับมนุษย์ที่มีรูที่มีรูปกายอ ย, ย่างนั้นก็เป็นเป็ น, เ ป, นเป็นกายทิพย์คำนี้คำว่ากายที่ยหมายถึงว่าเปรตอสุรกาย เ, เทวดาไอ้ท<า>ี่นี้ก็ายทกพย์อย่างที่ที่หลวงตาเทศเรื่องการเปิดศาลแดนโลกกระท่าแล้วท่านบอกว่าถ้ามีโอกาสอยากให้ทวกเราเห็นว่าเวลาลงเป็นเมล็ดมันร้อนตก ตกในรถโดนลงกระทะทองแดงอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นการเสียบเทียบของความของการรักรักกรรมในั่้นคือความร้อนใจนี่แหละเป็นนรกความเย็นใจเป็นสว่ใจนี่แหละเป็นนรกเป็นสว่างเป็นเศษเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นอริยเจ้าเป็นนิพพานใจทั้งนั้นแหละใจใจทั้งนั้นเลยสภาพของอาจารย์นั่นแหละ ก็คือการเปรียบเทียบที่ว่าปินตก้นนิ้วตกกระดานนะครึ่งเปียบเทียบ่คนั้ให้เห็นภาพว่าของความเียบ่วนทรมาร์ใจว่าเป็นตัอะไรจริงๆแล้วก็ไม่มีกายกายอยากใป้เห็นได้ไหมเป็นความรู้สึกในใจวันนั้นที่เราทุกข์ทรมานกินไม่ได้นอนไม่หลับตอนนั้นเนี่ยเรากำลังอยู่ในนรกใจของเรากำลังเต็นร แต่ว่าเมื่อมันยังมีร่างกายมาเกี่ยวข้องมันยังมีกบของมนุษย์มาเกี่ยวข้องอยู่มันก็สลับกันไปสลับกันมาพอมีเหตุการณ์ของทางมนุษย์มาที่บอกว่ามีเรื่องนั่นื่องนี้เข้ามาเราก็ลืมเรื่องความจิงไม่ได้นอนนั่หลับไปมันก็กลับมาอยู่สภาพนี้อยู่ก่อหรือว่ามีเรื่องที่ดีเข้ามาเช่งมาทําคุณมาทำธรรมทำทำทำน่าสุขเยี่ยมสุขสงสบสุขสบายมันก็พลิกช่างไทเป็นสวรรค์แต่พวกนี้มันไม่ไไม่ขาววง จนกว่าร่างการนี้จะสาดจับไปแล้วทีนี้กรรมมันไหนที่มันทำได้มีมีผลที่จะปรากฏมันคนนั้นมันก็จะทําให้ใจเป็นอย่างนั้นไปอ่ามันก็เป็นในขณะนั้นเลยถ้าใจมันมีเวลาที่ความน้อมมันจะเกิดขึ้นมันก็จะเป็นนรกขึ้นมานถ้าเป็นเปษหรืเป็นเราฐานแลือเป็นเทศมันก็จะเป็นขึ้นมาทีต่อไป ไม่อย่างคำว่าสัมโพเลสีนี่หมายถึงว่าเปรตงานทุกเปรตจำเป็นคืออย่างนี้ความเข้าใจเรื่องสัมโพเลสีก็แบบยังไม่ได้ขึ้นหรือลงาไม่เข้าไม่ถูกใช่ไหมไม่ถือสัมโพเลสีก็เป็นทุอย่างนะเปกอก็เป็นเปรตเป็นจิตที่ที่อยู่ในสภาพนั้นถ้าสมมติเราเตียบเทียอว่าจิตเป็นพุต่างๆเป็นสีต่างๆแล้วกันแต่ว่าพอจิตเราเป็นสีแดงซะอันนี้เป็นนรกนะพอเป็นสีเขียวัะอันนเป็นสวรรค์ ทจิตของเราจะจะแดงหรือจะเขียวเนี่ยมันอยู่ที่การกระทำของเราอยู่ที่สังขาตรต่างที่ปูแองต์ของเราพอสังขารรับปูแ่งไปทางทางทางความทุกข์มันก็จะร้อนขึ้นมาแดงขึ้นมาเป็นอย่างนี้ขึ้นมาพอปูแองต์ไปทางธรรมะมันปล่อยวางมันให้ทาง น, นันสส้นรักษาถึงนั้นละเอียดเดียวที่มันก็เขียวขึ้ น, นมันก็เป็นสีสติดขึ้นมาเพราะนั่นองอยู่ที่จิต นรกสวรรค์หรือพบภูมิไหนต่างมันไม่เป็นสถานที่ยกเว้นพบของของมนุษย์กับเดลาร์สการที่ต้องมีกายมันถึงมันถึงมาเกี่ยวข้องเรื่องตัฐทานที่ถ้านอกจากนั้นแล้วมันก็เหมือนกับการที่เรานอนหลับไปตอนเวลานอนหลับไปร่างกายก็อยู่เฉยนะแต่ใจนั้นไม่เฉยถ้าใจฝันดีมันก็เป็นสวรรค์ไปแล้ขึ้นสวรรค์ไปพอฝันร้ายมันก็ตกนรกหรือ ไห้เป็นใสเป็นเดราาัจฉานแต่พอมันเป็นขึ้นมาปั๊บมันก็ ส, สั่งมาเกิดภูมนุษย์ชมันไปจาก ต, ตอนที่เราหลับเนี่ยเราควบคุมไม่ได้ละสังขารมันไปตามบุญตามกรรมเนี่ยแต่พอเรปล่นขึ้นมาเรามีสติพอที่จะควบคุมให้มันอยู่ในในสภาพของมนุษย์ได้แต่บางครั้งก็ไม่ได้เนีนกันเวลามีมีเรื่องราวที่มันหนักหน่วงเข้ามาก็อาจจะทําให้ติดเราทึกลงไป นอนรเขึ้นม้วแล้วิกาหรือบางเวลาก็เรามีโอกาสดีขึ้นได้ทํำได้ปฏิบัติทำมันก็พึกกใจให้เรามีความเป็นสวรรค์ขึ้นมาได้แต่เหลานี้มันก็มันก็จะสับมันจะหายใจเป็นนิสัยไปแล้วพอถึงเวลาที่ใจมันออกจากหน้าแล้วมันตอนนั้นมันไม่มีสติที่จะบังคับมันก็จะถูกคำหน้าของบุญกรรมแต่ละตัวเนี่ยตัวนั้นมันมี มันมัมนมีกําลังมากฝว่าตัวนั้นก็จะเป็นตัวมโนครับให้จิดเป็นไ ป, ไปตามตามตามตามตามรรมหรือตามบุญนี่ถ้าบุญมีแรงมากมันก็จะทําให้เราไปสุขติถ้ามีกรรมบาปมันมีแรงมากฝว่ามันก็จะพาให้เราไปทุคติให้อาบายมันก็จะผัดกันไปผักันมาอย่างนี้จนกว่าเราจะสามารถทําให้รูแต่ มีแต่นิพพานอยู่ในใจมีแต่ความบริสุทธิ์อย่ในใจมันก็จะไม่มันก็จะไม่มีไม่มีบาป ท, ที่จะนำเข้าไปด้วยอกจามีการแบ่งชั้นเทวดาเป็นชั้นต่างๆลงในระดับชั้นได้มีการได้ฟังแค่ฟังธรรมใดก็มีเทวดาที่ทูเจ้าส่งสอนอยู่ที่ว่าเทวดานั้นจะใส่ธรรมหรือไม่เทวดาลองพวกเขาก็ไม่สนใจก็คือ คือถ้าถ้าเป็นทันเทวดาษที่เรสามารถมีสถานที่ที่จะแบบหรือมีผู้สั่งสอนธรรมะหรถ้ามีผ้าผ้า อ, อ, อ, อริยะที่ท่านมีพลังจิตที่จะติดต่อกันได้เขาก็ใครทําได้เช่นอย่งปู่ม่านนี้ก็มีเทวดามาฟังเรื่ของควาธรรมนี่แต่ผ้า อ, อริยะทุกลมไม่ใช่ทุกลมจะมีอภิญญาที่จะสามารถติดต่อกักายที่ได้บังลูกท่านก็ไม่มีอภิญญาเลยดังนั้นท่านก็สอนเขาไม่ได้ เขาว่าติดต่อกับท่านไม่ได้มันก็ว่าติดของท่านไม่มีช่องที่จะเปิดให้เขาเข้ามาทีานี้ถ้าถ้าช่องถึงกันแล้วถ้าเป็นธรรมดาก็ฟังธรรมะแล้วก็สามารถพัฒนาจิตตัวเองให้สู ง, งขึ้นไปด้วยไหมเช่นชั้นได้ก็อย่างนช่นเช่นที่พระเิชาไปตรวจพระพัฒนาฏดาจากบุตุชนได้บรรลุเป็นพระโสดาบันแต่ที่ว่าน่าจะได้แค่าาท่านโสดาบันเท่านั้นเองสำหรับเทวดา ถ้าเขาจะขึ้นไปถึงพราะนั้นเขาจะต้องเปลี่ยนสภาพจากเทวดาไปเป็นพรหมซึ่งเขาคงยังไม่มีจำหลังเพราะว่าในในสภาพของเทวดานี้จะไม่เอื้อต่อการปฏิบัติธรรมขั้นสูนงขั้นไปอะไรนี่เปลี่ยนเป็นพรหมได้ไงฉัก็ต้องอรอตกตัวมาแล้วกลับมาเกิดนนเป็นมนุษย์ได้ได้ม า, มาได้มาบวชชีมามาถือศีลแปดมานั่งสมาธิอนีน้แล้วมาพิจารณาอสุภะ จนกระทั่งปล่อยวางความรราลราคาได้ก็จะเลื่อนขึ้นไปจิตก็จะเลื่อนขึ้นไปเป็นนาคาเป็นขมซึ่งก็ไม่ได้หมายถึงว่าเทวดาจะตอกมาเป็นมนุษย์เสมอไปอาจจะงตมงสั่นั้นรก็ได้ได้เก็แล้วแต่กรรมที่ที่จะผ่านไปเทวดาไม่ไม่ดียว เวลาก็เป็นอย่างพวกเราเนี่แหละที่ทําทั้งบุญทาทั้งบาปมีเวลาถึงเวลาทุกเวระของบุญเหมือนกับเรามีเงินฝากไวาา้ในธนาคารถึงเวลาที่เขาจะออกด อ, อกออกผลมาเราก็ได้ดอกผลแต่เราก็มีหนี้เหมือนกันถึงเวลาเราก็ต้องใช้หนี้เหมือนกันมันว่าแต่ว่าเวละไหนมันมาก่อนใครถ้าเป็นเวละของเงินฝากมาก่อนเราก็ได้ดอกเบี้ย ถ้าเป็นถึงวาระของเงินคู่เราก็ต้องไปตรงจอดเขาใช่ไหอ่าบุญกรรมก็แบบนี้นเนี่ยถ้าถึงวาระของบุญเราก็ได้ไปรับไปเฉวิผลบุญไปเป็นเทพชั้นต่างๆพอหมดบุญแล้วก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์หรือว่าถ้าเป็นวาระของกรรมเราก็ไปใช้กรรมในในทุกปติไปนรกบ้างไปเป็นเตบ้างไปเป็นเจ้าสานบ้าง พมหมดกรรมล้วก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์หนพบมนุษย์นี้เป็นพบที่มามามาจากการใช้บินใช้กรรมเพื่อมาสร้างบุญสร้างกรรมพบมนุษย์ท่นั้นที่จะสร้างบุญสร้างกรรมได้พบอื่นเป็นที่ไปรับผลพบที่จะสร้างบุญสร้างกรรมได้ในพบของมนุษย์นี้ยกเว้นวพวกเทพบางพวกที่ได้ยินได้ฟังธรรมแล้วเขามีอินทรีย์แก่กล้าพอที่เขาสามารถ เปลี่ยนจิตของเขาให้เป็นพระอริยขึ้นมาได้ท่านพรอพุทธการยานี้พอมีพระพุทธเจ้าไปสแสดงธรรมท่านก็ท่าน ก, ก็บรรลุเป็นพระโสดาลังขึ้นมาแลอย่างที่เราแก่ส่วนบุนสน่วนกุศนี้รูก่านในหนังสือว่ามีเปรประเภทเดียวเท่านั้นที่สามารถรับรับการคิดบุญส่วนได้ที่นั่ได้ตที่สูงสูงระดับชั้นที่สูงสุด เราก็ไม่ทราบว่ า, ามีมีกี่ระดัแ บ, บแต่ก็ที่ได้ยินก็มีมีพวกอย่างที่รับได้แล้วก็รับไม่ได้หมดนะบุญที่เราทํานี่ก็รับได้เพียงเที่ยงเดียว เ, เ, เ, เ, เพราะเขามีคาชนะที่จะรับได้เพียงแค่นั้นสมมติมมเรามีขอให้เขาหนึ่งวดัดปิดอับเนี่ยแต่เขามีกระป๋องอยู่ราเรียวจะให้ทั้งหมดปิดอัพเขาก็เอาไปไม่ได้อยู่เลยล้วก็ได้ไแต่ใส่กระป๋องแล้วก็เอาไปอแต่ก็พอทั้งหรับที่ความจำการของเขา เราต้องการาแค่นั้นอยู่เต้องทิดไปให้ขงใจแต่ส่วนใหญ่มันก็ต้องมีอะไรที่เกี่ยวเนื่องกันเช่นเขามาเข้าฝันเลื่มาทํามิตอะไรอย่างไรอย่างหนึงให้เรารู้นีแต่ถ้าเรานึ่อยากจะทําไปทํำแบบว่าเผื่อเขารอยอยู่ก็ทําทได้เขาอาจจะรับก็ได้ไม่รับก็ได้เพราะเขาอาจจะไม่ได้เป็นเปรตก็ได้ถ้าอาจจะเป็นเป็ น, เ, าา เ, ปนเทพอยู่ก็ได้ เลยจะเกิดเป็นมนุษย์ก็ได้หรือจะอยู่ในนรกก็ได้แล้วแต่บุญแต่กรรมของเขาแต่เราทําก็ทําไปเผื่อไว้ทนั้นเองกันเพื่อเราทุกเป็นธรรมเนียมของเราเวลาเราทำํำมิจฉาแล้วเรากวนน้นนแำแต่เราทาเผื่อไปอย่างนั้นเองเผื่อคนที่ร่วมรับไปแล้วเขาเกิดมารอรับเขาก็จะได้รับไปเหีือนที ท, ทําอุปคุณภ์กสอนที่เห็นเพียงาจ ก, กันก็แบบ ที่เปเทวดาอินทรยมยักแบบสัวสีเที่เจ้าทนี้ก็เขียนไปจ้างมสยใจแต่บททีได้พวกเดียวก็ทพวกปแค่นั้นเองทวดาเขาดเขามีมากกว่านั้นเหมือนกับเอาเอาเงินร้อยบาทมาให้หมาเหยน่อเขาก็ไม่รู้จะไปทาอะไรอย่างมากเขาก็ขอบใจอนุโมานหรือถ้าส่งไปในคุกเขาโดนโดนคนทนี่เรองจำเขาเกยบไว้ก่อนเขาไม่ส่งใจให้รับท ช่วเฟรนี้เหมือนช่วงที่ถูกปล่อยมาจากพวกแล้วไม่มีเงินติดตัวในกระเป๋าล e. ุงจะไปไหนก็ไปเคาะหาเพื่อนขอให้ขอขอขึ้นขอนอนหนึคืนขอขอค่ารถเพื่อจะเดินทางกลับบ้านและเดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางที่เขาต้องไน เรือธรรมชาติของข้านาคารยุนี้ท่านไม่ไม่มีความยินดีกับการ ม, มีความสุขทางเพศก็เหมือนก็เหมือนพวกที่ถือศีลเถืออภัพรรมัจจริยาศข้อสาก็เป็นอภัพรรมัจจริยาท่านเดือนายท่านไม่อยากจะนอนกับทนะ่าศพนะง่ายๆท่าศพก็ยังหายใจได้แต่พวกเราเนี่ยท่าศพก็ยังหายใจได้กันแต่เรามองไม่เห็นกัน เราไม่เห็นกระโหลกศีรษะของเราเลยนะเราไม่เห็นครงกระดูกของเราแต่ผู้ที่จะมาสึพระกรรมฐานนี้จะเห็นอยู่สมัดเวลาจามันตรงนั้ น, ะนฉะั้นจะว่าท่านถือศีลจ่ามั้ยเนี่ยมันไม่ได้ถืออ่ะมันมันเป็นไปโดยธรรมชาติถ้าไม่หาความสุขจากทางรูปเสียงกลิ่นรสอะงรนะท่านนอนอยู่พื้นได้ท่านไม่ต้องนอนบนที่หานา หาความสึกจากการหลับนองจากการรับประทานอาหารชนิดต่างๆท่านจินเพื่ออยู่ทั้ง ไ, ได้อยู่เพื่อกินทนะานก็ถือสิ่งแตได้โดยธรรมะไม่ต้องไปหาพระเป็นสมาทานไม่ต้องให้พระมาให้สิส่งแต่ท่า น, นเพราะใจของท่านมันมีสิ่งแต่โดยโดยธรรมชาตินนะสิ่งทั้งหลายนี้มันออกมาจากใจของผู้ที่มีสีนน่นะเช่น พ, พระพุทธเจ้า เข้าใจนะแต่พวกเราไม่มีสิ่งมันก็เลยเป็นเหมือนกับว่าเป็นของแปลกไปในคนที่เขามีสิ่งอยู่ในใจเป็นธรรมชาติแล้วมันก็เป็นเรื่องปกติของเขาแต่เขาไม่ต้องไปสมาทานสิงห้าสิ่แปดเพราะเขารู้อยู่แก่ใจว่าเขาไม่ทํานะของพวกนี้ไม่ละโนบสินี้นไม่ชอบ เพิ oui. ie, ่มสุริตที่ท่างทีบาาเออถ้าถ้าเป็นผูอยญิงเนี้ยต้องตวจทุกครงรสริไปอยู่ได้ถึงจะได้เนืยาว่าเออคุเจ้าเห็นสูนิาได้ตรวจทุนะคะก็แน่ก็คือต้องตายใเจ็ดวันนี้ค่ะเพราะนั้นกัูอย่างนี้ก็ต้องใช้แต่ละน่นอ้ยนั้นะตต้องตายใวันนี้ไม่เยมีแน่ต้ตจิ อาจจะเป็นการาสรุปจากการที่ได้ยินของจากเรื่องของคนที่ได้บรรลุว่าที่เป็นคารวาสแต่ยันบรรลุไม่เกินเจ็ดวันก็ตายแล้ง เ, เป็นเจ้าสิทโททัณะ์ก็ตายหลังจากที่บรรลุเป็นพระหลังได้เจ็ดวันแล้วชายที่ถึงวัวขีดตายาก็ บ, บรรลุไม่ไม่ไม่ไม่ข้ามวันไม่ข้ามหวันข้ามไปข้าตาตาย เ้าก็เลยมาประมาณกันว่าถ้าเป็นกลางว่าแล้วถ้าไม่ได้บวชนี่ก็จะต้องตายภายในสีบวันแต่ความจริก็ไม่เกี่ยวกันหอกบวชไม่บวชกับตายไม่ตายมันไม่เกี่ยวกันหรอกนี่ดีเดียวถ้าไม่อยากจะตายก็บวชกันถ้าบวชนี่มันไม่เกี่ยวกันความจริงอะว่าการตอนที่บรรลุเป็นพระอรหันต์เนี่ยมันก็มันก็บวชโดยธรรมชาติแล้วมันไม่ได้บวชที่กายเท่านั้นเอง แต่ตัวที่บวชจริงๆก็คือตัวใจยมันบวชแล้วดีกว่พวกที่บวชที่กายแต่ใจยังยังดิ้นเหมือนลิงอยู่ Warrior, <The manifestation> มันจะไปห้ามความตายได้อย่างไงนั้นการโกนหัวนุ่มเหลืองนุ่มเหลืองผมเหลืองอะไรนี่มันจะไปห้ามความตายได้อย่างไรแล้วการเป็นารั้ น, นในใ น, ในเพศของคารวะแล้วต้องตายไปนีมน่มันมันมันเป็นได้อย่างไรอย่างคุณแม่เจ้าก็ไม่ได้บวชก็ยังเป็นอุบาสิกาอยู่ไม่ได้บวชนะ มันไม่ขี่นช่ไหมอันนี้มันต้องไปทุกข์ทรมานแต่อย่างว่าบุกจริงถ้าก็อยู่า่าต้องสิ้นขี่ไ ม, ม่ได้ท่านก็ถือสีลแปดไปแต่ก็จริงท่านมีสีงโดยโดยธรรมชาติมากกว่าพระที่ถือสีลสองร้อยยี่สิบข้อท่านมีสีงข้อเดียวงนะ่ายๆคือศีลที่ใจนี่ใจนี่หละเป็นตัวที่จะละเมิดศีลไม่ละเมิดศีลที่ใจ รักษาใจได้ตัวเดียวแล้วก็รักษาเสีย ง, งกี่พันข้อก็ได้เพราะถ้าพระวเจ้าอยู่จนถึงทุกวันนี้ก็อาจจะมีเสียงมากกว่าสอง้อยี่บเจ็ดก็ได้ <laughs> แต่ใจที่สง บ, บระงับแล้วต่อให้มีกี่พันข้อมันก็ไม่ละเมิดเพราะมันมันไม่มีความจัด เ, นเ็นที่จะต้องไปละเมิดไอ้พวกที่ละเมิดนี่มันพวกพิจัยไม่นิ่งพวกปุจจไม่อยู่ก็ห้ามข้อนี้ก็ไปออกข้อนั้นหาช่องอื่นออกไปเรื่อยๆ ตอนต้นสมัยแรกๆไม่มีพระผู้ัยเนะตอนที่มีท่าอาหรมีพันสองร้อยห้าสิบยุคนี้ไม่มีพระผู้ใหมีต่อเมื่อมีพวกที่เป็นชาวบ้านมาบวชตามเนเมื่อก่อนนี้มีแต่นักบวชที่เขามีศีลของเขาอยู่แล้วเขาสํารวมระงับอยู่แล้วเขาพอได้ยินได้ฟังทำก็บรรลุเป็นพระอาหารกันเขาก็บวชกันตอนนั้นพระพุทธเาก็ไม่มีเหตุอที่ต้องมากําหนดศีลเพราะทุกคนก็ปฏิบัติดีปฏิบัติชอ แต่ต่อมาพวกที่เป็นคารวาเนี่เราบูชกันเช่องตระทิสข้อหนึ่งนี้ก็เป็นเพราะว่ามีชายคนหนึ่งมาบวชแล้วพ่อแม่เขมีสมบัติมากเนละอยากจะได้หลานเพื่อจะได้ไปเสด็ทอดสมบัติเพราะว่าพ่อมาบวชก็ เ, เลยทามีอามาให้มานอนนอนด้วยเพื่อจะได้ผลิตหลานให้แต่ตอนนั้นไม่มีข้อห้ามไม่มีไม่มินสียงรตระทิสข้อหนึ่งที่ไม่ให้เสียมงมนถึง ท่านก็ไม่ท่านก็คิดว่าไม่ผิดแม้แค่ทำงานคืนเดียวเหมือนกับที่เขาทำํำผสมเกสรเมื่อวันเนี้ยทําเพื่อผลิตลูกเมื่อท่าไม่ถ้าไม่ทําเพื่อที่จะหาความสุขท่านก็คิดแบบนั้นท่านก็นอนด้วยแต่พอท่านทำไปแล้วใจของท่านก็ไม่สบายไม่สบายใจก็เลยไปกราบคืนพระพุทธเจ้าเราพุทธเจ้าทราบท่านก็บอกว่าเธอเป็นนักบวชแล้วเธอทำอย่างนี้ไม่ได้แต่นี่ในฐานะที่ว่ายังไม่มีข้อห้ามมาก่อนอจะไม่เอาโทษเธอ แต่หลังจากนี้ไปใครทําอย่างนี้อีกจะต้องถูกถูกปรับประราชิกคือให้พ้นจากการเป็นพระไปเนี่ยถึงปรากฏมีพระวินัยขึ้นมาทีละข้อสองข้อสาข้อสีข้อจนถึงสองร้อยยี่สิบเจ็ดที่พระวิเศษเสด็จตอนที่มิถานถ้าท่านอยู่ถึงวันนี้รับรองมันจะเป็นของท่งวาวันนี้เลือกให้ใ ห, ให้ให้มามีคนมาฟ้องอยู่เรื่อยค่ะที่ว ไม่รู้พูดไปเปนเรื่องไหนแล้วก็เรื่อง้าอาหารเนี่ยว่าเะไม่ต้องกังวลว่าถ้าเราเป็นคาราาแล้วเรามันรู้เป็น้าอาหารแล้วเราจะต้าตายภในเจดวันถ้าเราไม่ตายถ้าไม่มีโใครได้เกิดไม่มีถ้าไม่มีบาปไม่มีกรรมไม่ไม่ถ้าไม่ใช่ถึงมาระของเราไม่ตายเพราะความเสื่อาละครับาไมรู้ก่่ตายเกิ้า่ ตแต่บองที่ถ้ามันร่วมมันก็ไม่ได้อยู่เป็นคารวาวานไปห า, หาอะไรดีมันก็บวอช ด, อดีๆก็มือนชายคนนั้นที่บรรลุแล้วก็จะไปเปลี่ยนตัวบวชแต่ยังไม่ทันบวช ก, ก็ตายซะก่อนเพราะบุญบุญบุญนี้แค่นั้นก็ตายซะก่อนดีก็อยู่แล้วเป็นบุตรชนตาหมืดบ่อ น, นี้แต่ ความโลกความสุศลความอย่างไปร้อยปีอยู่ไปทางานอหู่อย่นั้นทุกเป็นอ า, าหารตอนช้าล้วตายตอนเย็นเลยตายแบบไม่เจ็บไม่ทุกข์ไม่ไม่วุ่นวายตายอย่างสบายดีกว่าอยู่แบบทุกข์วุ่นวายไปตลอดเวลา <c oughs> นั <of> ่นอย่าไปกังวลนะแต่ไปคุยจะเป็นไ้างนะงัวใช่ไหับเดี๋ยให้ฟังนะยะาวะริวะาปุระ ตฤทเรติสาควันเอวเมวอิโตทินามเพตังนังอุปการปติยิจตังปฏิตังตุมหังพิเตเมวตุสตุสัพเทตุรุตุอังกปาจัมโทตนะวสวสยัตานิโสติรโสยัาสักีติโยวิวัชานุ สัพเพโลโกวิญญะตุมาเตปวัตวันตระโยส hey, ุขีขายโกภวะปพิวัตนาสีตักนิจังุทธาปจายโนจัตตารุธรรมวัานติอายุมโนสุขังทารัง อา่ารย์ครับร้านวัดเดีวกนอาหารอาจาร์คุยนานไหมครับประมาณสักครึ่งชั่วโมงได้สอนเรื่อนสติทีานาเพื่ออาจารย์พูดสั่งชาอย่างนี้นะ ท่านพระเปกล่าวบอกว่าท่นกัมมาถาม้านเวลาไม่ันเวลันสกมมะถาเราวางสงบสง้เจดียนั่นจะมีวิธีไม่มนุษย์ฆ่ากาไปเมื่อไหร่ไม่มีเราไม่ีแต่จะีม่มนอษกลฆ่าไต ท่านไปเวลาไปฉันที่บ้านจสถกไหมยังไม่ได้กำหนดวันเลยูกไหนรูกพร้สงฆ์นะเป็นอปไรบุตรน้องตาได้ได้มาแล้วอท่านเกรียมใจเรให้มาคือจะดีจะอย่ลืมถามว่าจะมีที่จะมีการจะจัดอะไรที่จะให้หลวตาไปเมื่อไไม่ได้กำหนด ตาไม่ใป่มีบอกกำลังลุ้นพอยาติโยาอยากจะไปร่วมด้วยไหมต่อ็นึงวงก็ถึอจะไม่ให้มีค่ะเพรเป็นวงคนอยู่แล้วให้นันไปองเดียวเงียบๆค่ะาท่านไปฉันแล้วเขไปดูก็คือลูกๆไปดูแล้วค่ะสวยงามมากตายรไม่ใสครั้งหนึ่งแล้วนี่หรอตายตอนนแต่ในเนื้อคติยังไม่เสร็จ คือที่มันจะเป็น่อะไรเป็่นเ่อนก็ถามคำถามได้มาของเม่ยนขอเห็นนั่งอยู่แี่จะอาเี่นเราค้คงเข้าใจหมดแล้วสามารถไต่ถามได้ เมื่อกีเทดก็ดนถ้าทา้าใจไม่ค่อยติดนะคารติดปัญหาที่ทุกอย่างที่ตั้งมาแลก็มีกิเลสมีสวไปให้ที่นนนะคะก็ฟก็พยรยางคจรจาตามก็ทาให้ความทุกที่เมีโดยเฉพาะเรื่องลูกเราไปดีหนาแค่ฟได้คกรู้สึการู้สึกว่าคุณ่านใใรืเลา ถ้าสาคัญก็คือพยายามให้มีสติเดินจิตให้คิดในทางธรรมะให้มากก็ถือวันนี้ลูกก็ไม่ได้ทำานแล้วก็ต้องพยายามลองพยายามสักหน่อยพยายามว่าจะ้พยายามฝึกสติเดินแล้ให้อยู่ในปัจจุบันให้คิดในเรื่องธรรมะแล้วก็อยากจะเดินถางานอีกคั้งหนึ่งนะคังมีปามีก่าอยู่แล้วเดวคือที่โน่นนะครับที่สวนที่โน้น่มีสวนเล็กๆอยู่อันนี้ แล้วก็มีเขาเรียกว่าเป็นคล้ายๆตับอยท่าซึ่งมันกินทุกอย่างพืชที่เราปลูกใช่แล้วก็แฝงแพ่พันธุ์เร็วมากยงไม่ได้ค่าเพราะว่าเป็นพันธุ์วแต่แต่ไอหอยท่าเนี่ชอบกินเบียร์ชอบกินเบียร์พอพอก็ได้กล่นเบียร์เนี่ยเราเอาเอาเอาพูดเบียร์ไปวางไว้เนี่ย พอเขาได้กล ok ิ่นเดียร์เขาจะเข้าลงเข้ามากินแล้วเขาตายเองไม่ได้ฆาเดี๋นี้เป็นบาปนะคะถ้าเร็ไม่มีเจตนาให้เขาให้เขาคุณก็บาปนี่ก็บาปถ้าก็บาปถ้าเราไม่มีเจตนาเกิเบียร์มันหล่ไปมันแล้วมันลายลูกใส่ไส วิธีนึ่งก็คือเทปูนไปหมดนแล้วทันมันจะได้ไม่มาปูอีกหรือทำอะไรคือกันให้มันมาแต่ถ้าเราจะเข้าไปอยู่ที่อื่ น, นเอาไปทิงที่อื่นะนะเราไม่บา มันชจับมันไปปล่อยที่อ่าียมาแลจับไปปล่อยบางวันเป็นร้อยอตัวจับไรหรือเปล่าจะจับไว้หรือเปล่าจับเท้าจับะแต่ตอนหลังนี่โาาเขาชอบทนเบียร์เอาเบียร์มาคอจะตอถ้าตายก็บาแต่ถ้าเขาเมาแล้วเขานีไปก็ไม่เป็นไรเขาเมาแล้วเขาก็อยู่ในนั้นไงตาย ถ้าเรามีเจตนาเพื่บาปเจตนาแล้วเ้าก็เขก็เขาก็ไปตามเจตนาของเรานี้ก็บแ้อย่างยซื้อมานเรื่องไล่หาย้าให้เอาปิ๊งิแห้งกะนะคนแล้วก็ไปรยไว้แล้วก็จะปวดปิ๊งจะไม่ต้องมาเคได้ยิ่เรื่องเลอก็เหมือนกันที่กัวแลก็ิดน่ขึ้น ใช้วิธีจับจับทิ้งดีกว่าจับไปปนกับทิ้งเพราะอย่างนี้เป็นการลบเป็นการลบคนคนอื่นที่ต่าถ้าเราไปทิ้นที่อื่นเขาก็ไปที่อื่นเกาไปทิ้นที่มันไม่เป็นคนเป็นทิ้นที่ป่าที่มันที่มันตายจากบ้านคนชิ้นไปทำเสียด้านตะบ้ามันก็มันจะตายแล้วตาเกาไปที่งให้มันที่มันปลอดภัยที่อไม่ให้ตายแล้วให้ก็ให้ก็อยู่ได้ ทีกเราตานั่นจาาเมื่อก่อนที่อยู่ก็ตุ๊กแกงเยอะผ้าก็จะจับใส่ใส่ก็สอบแล้วก็แล้วก็แบบเดินไปห่างแต่วัดมาได้สองสามกิดมแล้วก็ปล่อยมันยอมลาบากเอาแ่นี่ะให้มันยากหน่อยดีกว่ามันยากแต่มันไม่บากถ้าเราได้บุญด้วยจิตเรามีเมตตา ใส้งบ้านาไม่มีคนอยู่กจะนประกาศลุงตาง่ไม่มีทํานนะขึ้นกำมั่งข้นกำมาขึ้นก็ไปมีแล้วุงตางคงยังไม่ได้ลงงานเป็กัรขึ้นขึ้น นขึ้เราเราเป็นข้าย่องนาไม่มีความเด็ดขาดไม่ทราั้นมันอยู่แบบนี้มันสบายเลยไม่ไม่ต้องเกี่ยวข้ออะไรกดบใครเลยถ้าติดเป็นกกนิสยกชินอะไรไม่อยากพ่จารณแล้วให้ลูกฟังเร่งที่เ่านจันอบรมท่านจับใจมากก็ บอกว่าไม่เคยได้ดีถ้าองค์ไหนพูดแบบนี้เนีย่ยก็พูดไปตามทาจงจิตอ่ะพูดไปตามท<ม>างฐานะของท่านเพราะเราก็รู้ว่าการทํางานให้กับศาสนามันก็ดีอยู่แต่มันไม่ดีถ้าแบบทํางานให้ตัวเองก่อนงานตัวเองต้องมาก่อนงานของศาสนาท่านมาถึงเราต้องหยุดทนก่อนเราต้องกําังเสร็จงานของเราก่อนเพราะพระพเจ้าตัดชนี้ก่อนแล้วถึงได้มาทํา ทำให้กแก่ผู้ถ้าเรายังไม่เสร็จงานของเราเราจะทำมัวจะทํางานให้ของผู้อื่เท่าไหร่นึก็ไม่จบยังก็มีงานเหลือให้มาทําอยู่เรื่อยางานของเราก็ไม่ได้ทำทันทีอย่างพระ อ, อนุนทํางานของพระุทธเจ้าตั้งยี่สิบห้าปีแต่ยังไงก็ดีที่ได้ทำของพระพุเจ้าพขาได้ยินได้ทํำความได้สะสมบา ร, รมีไปเรืเร่ยอยพอขึ้นหลาพุทธเจ้าท่านก็สามเดือนท่านก็ แต่ท่านกวรจะเสร็จตั้งนานแล้วแต่ท่านไม่เสร็จของอื่นที่บวชพร้อมๆกับท่านเสร็จกันไปก่อนก็หมดแล้วแต่ท่านไม่เสร็จเพราะท่านเสร็จตทะจักทางอุปสาเป็เจตญาณแต่ก็จําเป็น ต, ต้องมีใครทางานหน้าที่แล้วก็ดีสงมีมติให้ท่านว น, าานวลทำท่านนวต้องก็ต้องรับไปถือว่าเป็ น, ปนอาจจะเป็นวิบากของท่านก็ได้ที่ท่านจะต้องรับไว้เป็นเจตญา แต่ถ้าเราไม่มีปัญหาไม่มีการจำเป็นเรอย่าดิ้นไปหาหรืถ้าเราไม่มีการจําเป็นไม่มีไม่เป็นไม้เป็นกรรมไม่เป็นวิเดทวิบาทที่กับ้วเราต้องไปเกี่ยวข้องกับงานต่างๆเราก็อย่าอย่าเสนลอตัวเองทํางานของเราก่อนไม่ใจว่าให้ไม่ให้ไม่ใช่ให้หลบแล้วมันนวันเฉยๆไม่ไม่ทำงานนี้ไม่ใช่ แต่คนภายนอกจะไม่รู้ว่าเราทํางานของเราเพราะงานภายในนี้คนไม่เคยรู้รขาดเขาจะคิดว่าเราเห็นแก่ตัวแล้วหลบล้วไม่ไปช่วยงานงานการของหมู่คณ ะ, ะของเพื่อนเพราะถ้าค่ดงั้ก็เลยของเขาถ้าเราบรยสุดเรารู้ว่าเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นก็ไม่เป็นปัญหา เ, เรารู้ว่าเราทำงานของเราที่เราต้องทําำอยู่เราก็ทาําองเราไปชาวบ้านจะพูดยไงก็ปล่อยเขาพูดไปข้ามผมไม่ได้ไม่ mm hmm. งั้นเราจะจะเคว เราจะไม่สามารถทำงานของเราได้ฉะนั้นลูกจะ ร, รู้ว่าอาจารย์เขาตลุกมืนลูกไปอีดองอีลอยลีกเป็นข้าวนอกงานอยู่ที่อยู่ที่ไอ้โเนั่นทํนนั้นไม่ไปมันมนที่เกลียด <c oughs> อยากจะไปทำอะไรอย่างไรแต่ถ้าไม่ไปก็อยู่บ้านภาวนา น, นี่ก็โอเค <c oughs> <c oughs>